ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทมวัดเช้าเรื่องผู้พิชิตภาคหนึ่งโดยพ่อท่านโคติลักษ์เมื่อเดือนมกราคมพุทธศักราช2525เทปชุดนี้ระบบเสียงไม่ชัดเจนเนื่องจากอบรมไว้นานแล้วแต่เนื้อหาการบรรยายธรรมดีมากคณะผู้จัดธรรมหวังในประโยชน์ของผู้ฟังจึงได้จัดทมออกมา ขอเชิญท่านรับประโยชน์จากธรรมะได้นบัด น, นี้มาวันนี้เรามาฟังเรื่องผู้พิชิตผู้พิชิตหมายความว่าเป็นผู้ชนะภาษาบาลีในที่นี้เราเอามาจากบทสวดที่เราเรียกติดปากกันโดยคำขึ้นต้น ของบทคือคำว่าผะหุงคำว่าผะหุงที่จริงผะหุงมันแปลว่าแขนพาหักเนี่ยไม่ได้แปลว่าอื่นหรอกขึ้นว่าพะหุงผะหุงสหัสสะหมายคาว่ามีแขนเป็นพันผะหุงสหัสสะมีแขนเป็นพันก็เลยเรียกว่าบทผะหุงเอาคำขึ้นต้นมามาเรียกกัน อาแท้จริงควรจะเรียกว่าบทชิตวามุนินโธถ้าจะเรียกกันจริงควรจะเรียกว่าบทชิตวามุนินโทรหรือจะเรียกว่าบทพุทธชัยมงคลพุทธชัยมงคลชัยยะมังคลานิเป็นบทชัยยะมังคลานิเป็นบทชัยยะมงคลของพระพุทธเจ้า คือเป็นการชนะชัยยะก็เป็นการชนะหรือว่าชิตตวามุนินโทชิตตวาก็แปลว่าชัยชนะเป็นการชนะของจอมมุนีของพระจอมมุนีเป็นการชนะของพระจอมมุนีถ้าเราจะเรียกชื่อก็ควรจะเรียกเช่อบทสวดว่าอย่างนั้นในทีนี้เรียกว่าพุทธชัยมงคลคาถาก็ถูกแล้ว นในที่นี้ที่เราเขียนไว้เนี่ยแต่ที่นี้เป็นชื่อลำลองที่คนเราเรียกกันติดปากนะเรียกว่าบทพระหุงเราเรียกกันว่าเรียกบทพระหุงพระหุงแปดว่า ง, งั้นเรียกพระหุงแปดคำว่าพระหุงที่บทขึ้นต้นคำว่าขึ้นต้นนี่ถ้าเป็นภาษาไทยก็บอกว่าแขนตั้งพันนี่ขึ้นนาก่อนเลยว่าแขนตั้งพันของมารผู้ที่เนรมิตตัวเองเป็นอย่างนั้น ถ้าจะแปลเป็นจำนวนย้อนเข้ามานิดหนึงว่าภาหุงสหัด ส, สมภินิมิตรสาอุทันตังอะไรเงี้ยประดุจะดังอาวุธเนรมิตแขนประดุดจะดังอาวุธมาว่างั้นนะน่ก็เป็ น, เ ป, นเป็นความหมายของคำขึ้นต้นเป็นบทของคำกรอนคำกาบเป็นบทของคำคำประพันธ์ที่ท่านแต่งขึ้นมา คำร้อยกรองบทบทพุทธชัยมงคลคถาที่มีแปดระดับนี้เป็นบทที่แต่งไว้เอาเนื้อหาความหมายมาแต่งอย่างผู้มีความรู้อย่างผู้มีความรู้ทางธรรมะอันลึกซึ้งทำระดับเอาไว้อย่างดีเหลือเกิน นะซึ่งอตมาได้เคยทำได้เคยแปลตั้งแต่ทั้งแบบสั้นแบบยาวแบบแปลแปลอย่างแตกละเอียดอยู่ที่วัดมหาธาตุแปลกันอย่างเละเลยเหมนคือแปลกันสี่ชั่วโมงแปลสดเลยคือเอาบทที่มีหลักอยู่ที่บทบทนั่นแหละถือติดมือไปอย่างเงี้ยนะเนี่ยบทอย่างเงี้ยแล้วก็แปลแล้วก็ขยายความกันอย่างที่เรียกว่ามารคืออะไรเนี่ยว่าพญามาร มีแขนต่างพันมือหมายความว่าอะไรขยายประเจชนเขาตั้งไงเขาเข้าใจว่ามันมีอยู่ทั่วไปเลยพยามาเนี่ยมีอยู่ทั่วไปหมดนะขยายอย่างนั้นก็เคยทำมาแล้วแปลอย่างพอประมาณอย่างขยายความพอสมเหมาะสมควรซึ่งเราก็ได้เอาบทแปลพอประมาณขยายความนิดๆหน่อยๆพอสมควร พอรู้ความที่ดีอยู่ในหมวลในหมู่กระจักกระจางดีขึ้นระดับหนึ่งก็ได้แปลและก็ได้เอาอันนั้นเรามาถอดเทปแล้วก็มาเรียบเรียงกันพอตรวจแก่กันให้พอสมควรแล้วก็เอามาพิมพ์เป็นเล่มที่เราใช้ชื่อว่ายุทธวิธีแปขั้นแห่งการเป็นผู้พิชิตที่เราตั้งชื่อหนังสือว่าอย่างนั้นแล้วก็ได้พิมพ์ออกมาแจกจ่ายกันจนกระทั่งหมดไปแล้วแล้วเราก็ควรคิดว่าควรจะทําอีก เพราะว่ามันเป็นความรู้เปิดเปิดปัญญาเปิดความเข้าใจให้แก่พุทธศาสนิกชนเพราะว่าบทสวดบทนี้เนี่ยเป็นบทที่ทับิมมากในจำนวนสูตรไม่ใช่ในจำนวนสูตรในจานวนคำสวดหรือบทสวดที่เมืองไทยเราในาศาสนาพุทธเมืองไทยเราได้เอามาใช้ สวดนำจะสวดอะไรขึ้นแล้วก็อะไรไม่ได้บทไหนไม่ได้แล้วก็บทพระหง์ต้องได้กันคาะว่าทั่วไปก็สวดสําคัญเหลือเกินว่าเป็นบทที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินของพระจอมมุนินพระจอมมูลีของพ ร, พ, อพระพุทธเจ้าเราเป็นการชนะทำอะไรก็ชนะเพราะพิชิตอะไรต่ออะไรได้มาหมดก็จริงเป็นบทที่รวบรวมการพิชิตการชนะมาไว้หมดจนกระทั่งถึงยอดสุดท้ายถึงยอดสุดท้าย ถ้าเราไม่มีความรู้เราไม่เข้าใจเราก็แต่ว่าพิชิตก็พิชิตไปอย่างงั้นนะพิชิตอะไรเป็นหลักยังไงระดับยังไงขั้นตอนยังไงอะไรยังไงเราก็จะไม่รู้เราก็รู้แต่ว่าพิชิตมารพิชิตยักษ์พิชิตคนพาลพิชิตอะไรแต่อะไรไปเฉยๆนะแต่เราก็ไม่เข้าใจรายละเอียดอะไรมากมายนะักแล้วก็ไม่รู้เป็นธรรมมาทิฏฐานหรือเป็นสัจจะความจริง ไม่ศัจธรรมที่มันมีอยู่ในโลกนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องลึกลับไม่ใช่เรื่องพิสดารไม่ใช่เรื่องแมจิกเป็นเรื่องไอ้เกินเลยเกินคิดเกินคาดอะไรเป็นเรื่องที่เออเรื่องของพระพุทธเจ้าท่านไปบันดนบรรดาลอะไรกันท่าไปทําพิเศษพิเศษอะไรกันเกินการ์นู่นอะพวกเราชาวคนเนี่ยไม่เกี่ยวหรอกไม่ใช่อย่างนั้นเป็นเรื่องที่เราชาวคนนี่แหละจะต้องดําเนินตามรูปรอยขั้นตอนอย่างนี้ ตั้งแต่เริ่มเป็นผู้ที่จะรู้ว่าเราอยู่ในพุทธเราจะต้องเป็นผู้ที่ทำอย่างพระพุทธเจ้าทำนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านทำเราต้องทำอย่างนี้แหละไม่ทำอย่างอื่นนกเหมือนกันเลยทิศทางเดียวกันแนวทางเดียวกันเนี่ยเป็นผู้พิชิตอย่างนี้เพราะเรามาฟังกันดูแล้วมาตรวจเช็คด้วยเรามาตรวจเช็คมามาสอบยานอันนี้เป็นเครื่องสอบยานนะเราได้พิชิตอะไรมาเท่าไรแล้ว นี่เครื่องสอบญานนะแต่ของพระพุทธเจ้าท่านก็แรงหน่อยละของพระพุทธเจ้าต้องขันยดยอดทั้งนั้นแหละสรรหามาให้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าจะต้องปราบเนี่ยหรือว่าคันแม้แต่เป็นทางปุกกะลาทิฏฐานก็มีตัวเป็นธรรมาทิฏฐานก็มีระดับคุณภาพประกอบแวดล้อมอยู่ไม่ใช่เบาไม่ใช่เบาเป็นอย่างนี้ยืนยันว่าเป็นอย่างนี้ แล้วก็ลองมาฟังคร่าวๆที่ได้คัดออกมาสั้นๆสักก่อนให้ดูนะว่าแดขั้นการพิชิตยุทธวิธียุทธวิธีแดขั้นแห่งการพิชิตเนี่ยมันมีอะไรบ้างขั้นที่หนึ่งเรียกว่าขั้นพยายามานจะแถมไปว่าพยายามานพันมือก็ได้พยายามานพันแขนก็ได้ แม้ถ้าพันแขนประเดี๋ยวจะหาว่าเป็นพยามาลแล้วก็เอาผ้ามาพันพันแขนมันมันก็ชอบคนอยู่นะพยามาลพันมือก็แม้นักมวยเลยอะไรองนี้มันก็อาจจะเข้าใจผิดพลาดก็เลยไม่เขียนเมื่อกี้นี้ว่าจะเขียนก็เลยไม่เขียนก็เขียนพยามาลหนึ่งขั้นพยามาลท่านใช้ธรร ม, มาวุธอะไรขั้นพยามาลท่านใช้ธรร ม, มาวุธคือทานนะฟังไว้เป็นคู่คู่ง่ายๆสั้นๆ พยายยกท่านนี้พยายักท่านใช้ธรรมาวุธคืออะไรธรรมาวุธคือขันตินะทีะนี้พวกพานที่จริงจะเรียกว่าเดรฉานก็เกินไปเป็นพานดังเดรฉานตกมันพานดังเดรฉานตกมันธรรมาวุธคืออะไรธรรมาวุธที่ใช้ก็คือเมตตา ต่อมาคนเก่งที่หลงผิดอันนี้คนเก่งแต่ว่าไม่ค่อยมีปัญญาหลงผิดก็ต้องใช้ด้วยริาสามารถทางจิตใช้ริาสามารถทางจิตขั้นที่หจอมายาสาไถธรร ม, มวุธคือสันตินีทับศัพท์ไปเลยสันติเดี๋ยวเขาอธิบายกัน ต่อมาขั้นที่หจอมโจรบัณฑิตนี่ขั้นจอมทั้นั้นนี่จอมขานลึกๆแล้วต้องใช้คำว่าจอมทั้งนั้นแหะจอมโจรบัณฑิตนี่คือปัญญาชั้นยอดต้องใช้ปัญญาชั้นยอดสู่สู่กันทีนี้ต่อมาขั้นที่เจดจอมนาจอมนาคต้องใช้โดยนานาริธา แม้ขั้นนี้ไม่รู้จะใช้อะไรกันบ้างก็ต้องปราบกันด้วยลิทธาทุวนทั่วเลยนะสุดท้ายขั้นจอมยอดเลยทีนี้จอมพรหมขั้นจอมพรหมก็ต้องใช้ญานญานาคเทนะนนะนะเนี่ยยานอคธนะอคทานะเนี่ยยานอคธานะในอคทานะอะไรเดี๋ยวก็จะอธิบายเป็นคําเป็นความไปตลอดแหละจะทำให้เข้าใจให้ได้รู้ได้ นั้นไปตลอดอทีนี้เราได้ฟังขั้นๆเป็นขั้นๆเป็นชื่อย่อๆนะที่เรียกไว้ว่าพยามารหนึ่งสองพญายักษ์สามานพานชนเนี่ยผานดังเดราชานตกมันสี่คนเก่งที่หลงผิดห้าจอมมายาสาไทยหกจอมโจรบัณฑิต เจดจอมหน้าแปดจอมพรหมนะระดับ8ดระดับนี้เป็นขั้นขั้นถ้าเราฟังดีๆถ้าเราเรียนรู้ไปแล้วก็จะเห็นผู้ที่ปฏิบัติทำมาแล้วจะสอบทานได้จะเข้าใจยิ่งผ่านมาขั้นสูงสูงสูงขั้นระดับลึกซึ้งมาแล้วยิ่งจะเข้าใจชัดนะแล้วเราได้ใช้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นจริงหรือไม่สอบทานเลย จะเห็นว่ามันจริงถูกต้องเป็นเรื่องที่ถ้าแม้ว่าไม่จริงเราลองมาเข้าใจดูแลเราเอาไปใช้เราอาจจะใช้อาวุธอย่างอื่นกลายเป็นธรรมาวุธชนิดที่ไม่ค่อยตรงไม่ค่อยถูกนะักแต่บางทีก็อาจจะต้องแถมนะคันนั้นคันนี้อาจจะต้องใช้ธรรมาวุธชนิดนั้นอาจจะไม่อย่างเดียวแม้อย่างนี้อย่างเดียวพิษไม่แรงต้องใช้อย่างอื่นผสมลงไปพิษจะแรงขึ้นกว่า น, นั้นก็ต้องใช้จริงๆนะ แต่ว่าในหลักการใหญ่ๆเป็นอย่างนี้นะพญามารต้องต้องใช้วิธีปราบหรือใช้วิธีที่จะทำให้สยบไปได้หรือว่าจะชนะโดยการทานแนะต่การให้ละไปะเสีพยพญายักษ์ก็ต้องใช้โดยการจะปราบได้ก็จะต้องให้ไม่ต้องใช้การอดทนจะต้องใช้การอดทนละขันติต้องใช้คำว่าอดทน ข่านพานดังเดรฉานตกมันแล้วแล้วก็ไอ้นี่พวกก็ไม่รู้เรื่องก็ต้องสงสารกันเมตตาสงสารปราณีนะพานดังช้างตกมันนี่พวกก็ไม่รู้เรื่องส่วนคนเก่งหลงผิดนี่ต้องปราบด้วยฤทธาสามารถทางจิตหรือทางอะไรแต่ลายลายทางประกอบอทางปัญญาร่วมด้วยที่จริงนะไม่ใช่แต่เฉพาะทางจิตนี่มันหมายถึงปัญญาด้วยทั้งอํานาจทางจิตด้วย ทีนี้สําหรับจอมโจรไอ้ยจอมมายาไม่ใช่จอมโจรจอมมายาก่อนมายาสาไทยอ่าเป็นเนีที่จริงอยากจะเรียกจอมตอแหลนะจอมตอแหลจอมมายาสาไทยเนี่ยต้องสู้กันด้วยวิธีกว่าจะไปเอาเรื่องเลยปล่อยเถิดสันติสันเตนโสมวิธินาสันติเสียอ่า ทีนี้ขั้นจอมโจรบัณฑิตเนี่ยในตอนนี้เรากำลังประจนเฝาปันอยู่ข้างนอกจอมโจรบัณฑิตเนี่ยอยู่ข้างนอกหรือแม่แต่ในนี้เองก็จอมโจรบัณฑิตเกลื่อนโดยเฉพาะข้างนอกเนี่ยเรามีมีอยู่เยอะเดี๋ยวนี้เราต้องสู้กันหนักนะต้องใช้ปัญญาชั้นยอดปราบจอมโจร น, นี่ข้างนอกเยอะไอ้นี่ก็ข้างในจอมนาคเนี่มันตัวนายจริงๆเพราะว่าในภพในภูมิ จอมนาคเนี่ยพบในภูมิข้างในโดยตรงเลยจอมนาคเนี่ยต้องต้องปราบกันด้วยนานาริธาจอมนาคมันนาคนี่มันเป็นผู้ประเสริฐแล้วเป็นผู้ที่หลงตัวหลงตนแล้วยึดแล้วยิ่งจอมพรมแล้วทีนี้แม่ใหญ่เหลือเกินตอนนี้สุดใหญ่เลยทิพกาพรมใน ปุคลาธิฐานของพระพุทธเจา้ามีตัวอย่างเป็นปุกลาธิฐานทั้งนั้นแหละเขายกมายกมายกมากมายกประกอบเพื่อที่จะขยายความเป็นอุทาหรณ์ประกอบมันก็จะได้รู้ชัดขึ้นแต่ที่เราจะมาพูดกันนี่ไม่ใช่ว่าเราจะมาพูดกันปุกลาธิฐานดื้อๆเราจะมาแสดงธรรมเราจะมาชี้ให้เห็นธรรมะให้รู้ธรรมะให้เข้าใจธรรมะที่พูดนี่ธรรมะอันนี้ประพฤติได้ประกอบได้จริง ปฏิบัติได้จริงแม้เราเองก็ปฏิบัติอย่างนี้เหมือนกันหมดทุกคนน่ะนะจอมพรมต้องสู้กันได้ญานต้องสู้ด้วานทีเดียวยานญานะอคธานะอคตานะอคตานะแปลว่าพูดคําพูดกับคํากล่าวการพูดกันกล่าวทั้งใช้ปัญญาญาชัางใช้การพูดกล่าวที่จะต้องสื่อรู้กันได้จนเป็นที่แจ้งชัดญาณคเทนะ ยานาะบอกอักทอักเทนะอักทนะอักทแปลว่าคำพูดแปลว่าการพูดการกล่าวเป็นปัญญายานทั้งการใช้ปัญญาทางจิตใช้การที่จะสื่อออกมารู้กันเข้าใจกันพูดกันได้คนมนุษย์และพูดกันได้คนชั้นมนุษย์ชั้นมนุษย์ที่มีจิตใจสูงใจเป็นถึงขั้นพรหมนี่ใจสูงพูดกันได้ พูดกันรู้เรื่องเด็ปัญญากันชั้นดีพูดกันอย่างดีอย่างนี้ต้องพูดกันอย่างชั้นดีเลยชั้นนี้ก็พูดกันอย่างชั้นดีแต่ก็ต้องดุกันหน่อยจอมนาคนี่มันดื้อด้านดุกันหน่อยนี่อย่างเรียกว่าพูดกันอย่างพูดดีเลยจอมพรมอาทีนี้ก็มาฟังดูบทที่เขาแต่งเอาไว้ในพระหุงไปพลางมันจะขยายความจากบทพระหุงทั้งหมดนี้ออกไปเรื่อยๆตามความหมาย ที่แปลไว้ในนี้บางอันก็แปลกันเอเอเพาแต่งกันออกมามันเป็นกราบคํากาบคํากรอ น, นี่เป็นคําที่จำเพาะจํากัดอัดอัดละเอียดแน่นๆบางทีก็คํามันก็จำจำจำเป็นด้วยเพราะว่าการแต่งกรอนแต่งกาบอะไรเนี่ยมันเป็นการจํายอมจําเป็นบางทีคําไม่เคยตรงนักเพี้ยนนิดๆหน่อยๆอะไรมีความหมายใกล้เคียงกันแล้วก็เอามาแทนแล้วพเอเราต้องการการสัมผัส การคล้องจองอะไรต่างๆนานาไปคํานึงถึงไปกํานึงถึงแบบแผนการประพันธ์แบบแผนการที่จะต้องได้คําเท่านี้ได้ความเท่านี้แล้วก็จะต้องออสัมผัสคล้องจองเป็นภาษาสําเนียงเสียงอะไรมันสัมพันธ์กันมันขยายมันรับกันพูดแล้วคล้องคล้องดีพูดแล้ว เ, เพราะดีอะไรงนี้ไปคํานึงซึ่งพวกนั้นจึงทําให้เนื้อหา ของความจริงหรือความหมายที่ตรงนั้นลดลงลดลงไปบ้างอันนี้คําประพันธ์เสียอยู่ตรงนี้เยอะคําประพันธ์คําร้อยกรองที่ไปคํานึงถึงแบบมากนี่เพราะฉะนั้นสมัยนี้คนมีปัญญาแล้วเขาไม่เอ้าวคาประพันธ์ที่มันมีการบังคับมีแบบแผนจะต้องใช้คำต้อจะต้องสัมผัสเสียงนั้นเสียงนั้นต้องลงกันเสียงนี้ต้องคล้องกันไปต้องร้อยกันได้แล้วก็ไปหลงเสียงไพเราะเป็นวาทิตะ เป็นคีตะอยู่อย่างนั้นทำให้ความหมายตกไปเพี้ยนไปลดสัจจะไปไม่ตรงแท้เขาจึงไม่นิยมจึงมีศิลปะสูงกว่านั้นเรียกว่าแอ s บสตร t กเป็นศิลปะไม่ติดรูปแบบไม่ติดแบบแผนศิลปะแอ s บสตร t กศิลปะที่ไม่ติดแบบแผนฟอร์มลิสทิ้งรูปแบบไม่ยึดรูปแบบจะเป็นยังไงก็ฟรี เขาจึงเรียกว่า free verse เป็นการแต่งอย่างอิสระเป็นความหมายคำหมายที่อิสระตามใจเอาคำที่คนรู้ได้ง่ายที่สุดคนเข้าใจได้ง่ายจุดมุ่งหมายนะเอาคำคำที่คนเข้าใจได้ง่ายและให้ความหมายที่ตรงชัดได้ความหมายกินลึกความหมายดีมาก เอามาใช้มาเรียบเรียงมาร้อยกองหรือว่ามาพยายามผูกประโยคผูกภาษาให้การรู้นั้นออกมาชัดจึงเรียกว่ายานาคเทนะนี่เป็นความหมายชั้นศิลปะชั้นสุดตกใช้ยานาคเทนะเป็นความหมายที่ใหญ่ยิ่งเป็นวิธีการหรือเป็นสภาวุฒิคำมาวุฒที่ใหญ่ยิ่งใช้ยานาคเทนะจะเป็นคําพูดที่ง่ายฟังรู้เรื่องเป็นภาษาที่ง่ายไม่ใช่ไปสรรหาภาษายาก พวกศิลป์พวกกวีพวกกวีที่หลงโง่คือไม่เข้าใจว่าศิละปะคืออะไรในด้านศิละปะของภาษาพอมาแต่งกาบแต่งกรอนนึกว่าจะต้องเล่นคํายากๆแล้วคาที่รูหรูๆคนไม่ค่อยรู้เคืองๆมาประติดประตอ่อแล้วเอาใส่เข้าไปมาปร้อยกรองมาเรียบเรียงแต่งออกมาให้แหมฟังแล้วใครอ่านแล้วงงเตกไปเลยไม่ค่อยรู้เรื่องและถือว่านี่เป็นศิละปะชั้นสูงให้คนไม่รู้ และถือว่าเป็นของสูงพวกหลงผิดอย่างนี้มีอยู่เยอะกะวีหลงกวีหลงทางกวีเกะเกไม่ใช่กวีที่มีปรรยายาัญญาญาณไม่มีอภิปรัชญาที่แท้แล้วไม่รู้จักวิธีการในการสร้างศิลปะกลายเป็นกวีปลอมเป็นศิลปินที่ไม่ไม่มีวิชาเป็นศิลปินที่ไม่เข้าใจในวิชาการศิลปินหรือว่ากวีการกรวีกร น, นักแต่งนักประพันธ์ที่ไม่เข้าใจ แล้วไปหลงความไม่รู้ทําแล้วก็เลยอำ่อำๆพรางๆปิดๆบางๆสุดท้ายจนไม่รู้ว่า ง, งานของเรานี่เราจะทําอะไรความหมายอะไรเราจะปั้นสื่อไหมคนอื่นเขารู้ได้ยังไงปั้นสื่อออกมาได้ใช้ความหมายใช้คําใช้ความเจะให้เขารู้อย่างนี้อย่างนี้อันนี้เป็นความหมาย น, นี้อธิบายได้ทุกคําทุกความแต่ผู้ที่ไม่เป็นกวีที่มีศิลปะการวิชาการของวิชาศิลปะในตาการร้อยกรอง ไม่เข้าใจก็ไปเอาคำรู้ๆคาที่เราชอบใจติดใจคำเพราะๆ เ, เอามาต่อๆเรียงๆ เ, เข้าไปความตรงไม่ตรงบ้างได้ความกลมกลมแกมแกมกระล่มกะแลมอะไรก็เอาใส่เข้าไปตัวอัตมาเองเคยเป็นนักกวีเคยเป็นนักแต่งกรอนแต่งโครงแต่งกาบแต่งอะไรมาแล้วเคยหลงผิดอย่างนี้มาแล้วเคยหลงผิด อ, อย่างนี้จริงๆโอ้ยงี้นะ พอมามาันรู้ธรรมะรู้ชัดแจ้งอะไรนี่แล้วถึงได้โอ้โหเราเอ้ยบา้บาบา้าบบแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังมีศิลปินบา้าบาอยู่เยอะนักกวีการนักกวี ก, กรณอะไรโอ้ยคำหรูหมาแต่งเพราะเพราะพิงพลิงเอามาเรียบเรียงเอามาร้อยกลองมันมีความหมายเหมือนกันมันก็เข้าใจลีลาได้แต่ว่ามันไม่ถึงจุดเขาจําเป็นที่จะต้องการคำหรูคําสวยคําเพราะแต่สื่อความหมายไม่ตรงทิศเดียวก็เลยไม่ค่อยได้เรื่องก็กลายเป็นคํากวีอยู่อย่างนั้นเอง แล้วก็ไปหลงไพเราะเพราะพิงหลงรู้รูราหกันเพราะฉะนั้นศิลปะชั้นสูงเขาจึงยกศิลปะแอฟแทรกไม่ต้องติดรูปแบบปล่อยกลองอะไรนั่นหรอกคําเพราะคําพิงเป็นคีตะวาทิตะวิสุขทัศนาไม่ต้องไปดูวิสุขทัศนาเป็นข่าสึกแห่งการดูการชมเพราะว่าพวกนี้มันอําพรางมันไม่ค่อยรู้เรื่องมันยากแก่การรู้ เป็นศิลปะที่ยากแก่การรู้อัมพรางไม่กระจัดกระจ่างมันศิลปะที่ดีต้องกระจัดกระจ่างชัดง่ายชัดง่ายรู้ลึกซึ้งรู้กระจัได้เราจะป้อนศิลปะไปนี้ไปอันนี้สู่ใครละ่ะสู่กลุ่มไหนสู่หมู่ไหนหมู่นี้ใช้ศิลปะแค่นี้เอาไว้ให้สื่อความหมายแค่นี้ ถ้าลึกเกินไปนักเขาไม่เข้าใจหรือลึกเกินไปนักแทงลึกเกินไปนักเดี๋ยวเขาเจ็บปวดแรงพราะว่าไปเปิดเผยหรือว่าไปผ่ายิเลสเรียกว่าไปล้วงเอาสิ่งที่ไม่เขาไม่ควรจะเปิดเผยออกมามากเกินไปแล้วเขาขายขีดหน้าเขาสะเทือนใจมากอย่างนี้ก็ต้องกำหนดศิลปินต้องกำหนดต้องรู้ ความพอเหมาะพอดีจะใช้แค่ไหนนะเพราะงั้นการที่จะใช้สําหรับคนที่รู้ในความหมายลีลาพวกนี้ก็สลับซับซ้อนเล็กน้อยอยู่ซ่อนอยู่ในศิลปะที่การสื่อนั้นคําความภาษาก็ดีหรือแม้แต่สีสันก็ดีรูปทรงก็ดีเส้นสายก็ดีแล้วแต่ศิลปะในในเรื่องอะไรก็เป็นศิลปะทั้งนั้นแหละก็จึงมีเชิงที่เรียกว่า อันนี้สำหรับคนชั้นนี้พูดกันแล้วเขารู้เรื่องจะเอาขนาดนี้เพราะฉะนั้นภาษาที่ยากก็จะใช้ผสมเข้าไปกับชั้นที่ยากขึ้นชั้นที่สูงขึ้นคนระดับสูงขึ้นก็ใช้ภาษาที่ยากขึ้นเอาใส่เข้าไปเติมเส้นแสงเงาสีชั้นสูงขึ้นไปภาษาก็ใช้ภาษาคําที่เป็นภาษาที่ชั้นสูงขึ้นไปเพื่อที่คนระดับนี้เขาอ่านแล้วเขาไม่รู้เรื่องไม่บาดเจ็บแต่คนนี้รู้แฮะแลวเรารู้ด้วยว่าทนได้ ไม่บาดเจ็บนักแต่ถึงใจเราก็จะใช้ภาษาที่สูงขึ้นภาษาที่อาจจะหรูขึ้นภาษาอาจจะยากขึ้นแต่ต้องขั้นวิชาการหรือขั้นภาษาที่ยากขึ้นสำหรับอันนั้นที่เจตนาถ้าศิลปะทั่วไปศิลปะสาธารณะแล้วต้องให้ง่ายเท่าไหร่ยิ่งดีง่ายเท่าไหร่ยิ่งดี แล้วก็รู้ชัดรู้แจ้งรู้สัจจะไปได้กว้างขวางเท่าไหรยิ่งดีนั่นเป็นเชิงของศิลปะชั้นง่ายเขาต้องทำศิลปะอย่างนั้นนะอันที่พูดคำว่าศิลปะอันนี้เป็นศิลปะจริงๆไม่ว่าจะเชิงวาดเขียนมีนัยยะความหมายเหมือนกัน น, นที่กล่าวนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่ทำงานอยู่เดี๋ยวนี้พวกเรานี่คือศิลปินใหญ่พวกเรานี่คือศิลปิน ที่จะมาใช้อะไรต่ออะไรนี่สื่อความหมายออกไปให้แก่ผู้อื่นเขารู้เรามาทําธรรมทานบทที่หนึ่งกำลังจะปราบมารทุกอย่างคือมารหมดสิ่งที่คานแย่งต่อสัจธรรมปราบสัจธรรมคือมารหมดมารตั้งพันมีมารพันมือพันแขนมีมารตั้งโจมมารที่ถืออาวุธครบมือเลยมารเหนือเมฆในะขีคีรีเมฆครัง มาเหนือเมฆเนะี่ยกึกก้องอุทิตโคระเสียงดังสนั่นวันไหวกึกกล้องโหร้องเพื่อที่จะทั้งขู่ทั้งขู่ทั้งที่จะทำให้เรากลัวลานให้เราอยู่ใต้อำนาจเอาเอาวุธยุทธโกยุทโกกรต่างๆมาจะปราบจะปรามเราทั้งสิน้นนะอย่างนี้มีอยู่ทั่วไปทั้งหมด อยู่ทั่วไปตั้งแต่หยาบจนถึงละเอียดยิบไปเลยะจะครูเราด้วยหลักการเดียวกันหมดตั้งแต่หลักการแรกคือหลักการเป็นมารของเราขั้นไหนก็มารหมดเรียกมารหมดหยาบที่สุดแต่ในในัยยะที่ละเอียดพวกนี้ไม่ใช่ความละเอียดจะอยู่ในความหยาบแต่ความหยาบนี่คลุมถึงความละเอียดพอถึงขั้นปราบหยาบมาได้พวกละเอียดนี้จะอยู่ละเอียด แต่ก็มีสภาพที่ว่ามันเป็นการต่อต้านเรียกว่ามานเป็นการคานแยง้งเรียกว่ามานอยู่ทั้งสิ้นนอทีนี้ก็ขึ้นต้นมารพญามารเลยหรือว่ามานมากมานใหญ่มันมีความหมายอะไระในที่นี้ก็จะอ่านบทมานบทที่หนึ่งพระหงษ์สะหัตสมะพินิมิตสาวุธทันตัง ถึงเราก็ท่องกันมาได้อยู่แล้วสำหรับพวกที่หมู้เราที่ท่องหมู้ผู้ที่เป็นคารวาที่ไม่ค่อยได้ท่องก็ไม่ไม่เป็นไรก็ฟังไปนะคริเมครังอุทิตโครสเสนมารังในเป็นการบอกสองวรรคนี้เป็นการบอกความหมายของมารในนี้ก็แปลกันอย่างบทกลอนเหมือนกันแปลว่าปางเมื่อพยามาร ผู้เนรมิตแขนถึงพันถืออาวุธครบมือนี่ก็ชัดนะขีช้างขีขีเมฆพร้อมด้วยเสนามานโหร้องกึกก้องเข้ามาประจัน น, นี่ น, นี่คือสองวัที่แปลนี่ก็แปลสองวักวักแดกพระหงษ์สหัสสมภิญิมมิตรสาวุธันตังปางเมื่อพระยามารผู้เนรมิตแขนถึงพันมือ ถึงพันถืออาวุธครบมือนะคิริเมฆรังอุทิตโขก็คือขี่ช้างขี่เมฆพร้อมด้วยเสยนามานโหร้องตึกกล้องเข้ามาประกันอาถรมา์ทั้งหลายแหละที่มีนัยยะที่พูดกันแค่นี้สั้นๆ ส, ส, สองวักแค่นี้เดี๋ยวจะแปลออกไปให้ฟังละเอียดๆมากมันช่สองวคกละอย่างน้อยก็ต้องสองสนาทีนั่นนะอาจจะถึงขนาดอย่างนั้นก็ได้นะสองสิบนะอาจจะนะ และเราจะสู้ด้วยอะไรสภาวุฒที่จะต่อสู้คือทานทานาทิธรรมวิทินาอยู่วัดเท่านี้ทานาทิธรรมวิทินาด้วยวิธีการวิธินาวิธีนั่นแหละโดวยวิธีการมีทานเป็นอาทิมีทานนี่แหละเป็นต้นนะพระท่านนี้ก็แปลว่าพระจอมมุนีทรงชำนะคือชิตตวามุนินโธพระจอมมุนีทรงชำนะด้วยธรรมวิธี ธรรมวิธีนี่ธรรมวิธีนาเนี่ยธรรมวิธีมีการให้การสลับเป็นต้นอาทิธรมมธร ม, มาธรรมะทิ <Yeah. S 1> ไอธานาทิธานาทิธรรมธานะบวกอาทิก็เป็นทานเป็นต้นธรรมวิธินาก็เป็นมีมีธรรมวิธีมีวิธีทางธรรมคือทานเป็นต้น นี่ก็รวมทีนี้บทต่อๆไปเขาจะสองวรรคเนี่ยสองวรรคสุดท้ายวรรคที่จะขึ้นวรรคที่สมนี้จะมีกลละเม็ดบอกสัมภาวุธบอกธรร ม, มาวุธที่จะต่อสู้นะแล้วก็ตบท้ายดแบบ้วยชิตวามุนินโทตันเตชะส า, าพระวะตุเตชายามังคลานิทุกอันไปนะเพราะฉะนั้นอันสุดท้ายนี่ก็แปลตันเตชะส า, าพระวะตุเตภระวะตัตุแล้วก็เตชายามังคลานิก็แปลว่า ก็ด้วยเดชแห่งการเกิดอย่างนั้นด้วยเดชแห่งการเกิดอย่างนั้นนี่ตันเตชะเตชะกเดชอะตันเตชะสาด้วยเดชแห่งการเกิดอย่างนั้นนี่ชัยมงคล น, นี้จงมีแก่ท่านหมายความว่าท่านทั้งหลายเนี่ยจะพยายามที่จะมีชัยชนะก็จงมีด้วยการมีเดช แห่งอย่างนี้แห่งวิธีการอย่างนี้โดยการมีเดชมีฤทธิ์ด้วยเดชอย่างนี้แห่งการเกิดอย่างนี้การเกิดการชนะอย่างนี้ด้วยเดชแห่งการเกิดอย่างนั้นอย่างไหนก็อย่างที่จำลังเดวจะ ย, ย้อนไปอธิบายนี่มีวงเล็บไว้ด้วยวงเล็บความหมายไว้ว่าด้วยการปฏิบัติตามสมควรแก่ทำโใยการปฏิบัติโดยสมควรแก่ทำคือด้วยเดชแห่งการที่ปฏิบัติอย่างนั้นจนเกิดผล น, นั่นแหละจะเป็นผู้ชนะ ชัยมงคลจงมีแก่ท่านนี่บทที่หนึ่งะเอาทีนี้เราก็ย้อนกลับไปพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างที่ว่ามาทั้งหลายแล้วเราจะปฏิบัติทานคืออะไรชนะด้วยวิธีการทา น, นาเป็นต้นหรือเป็นหลักเป็นต้นหรือเป็นหลักคำว่าทานคำนี้ยิ่งใหญ่ที่สุด เคยพูดเคยยืนยันเคยอธิบายให้ฟังว่าเราปฏิบัติอะไรปฏิบัติอะไรสุดท้ายก็มาเอาออกเอาให้ไปเอาให้ไปเคยพูดมามากพูดรวมแล้วทานบา ร, รมีหรือบา ร, รมีสิบทัศน์นี่ก็ทำทานไม่มีอื่นเลยสุดท้ายทานตัวเดียวถึงขั้นชนะสุดยอดแล้วไม่มีอะไรมานั่งให้มานั่งให้ ไม่มีสมบัติอะไรก็มานั่งให้ทุกวันนี้เราไม่มีเราวัตถุสมบัติโภคก็สมบัติอย่างโลกโลกเราไม่มีเรามีแต่อริยะสมบัติเราก็มานั่งควักอริยะสมบัตินี่แจกแจกแจกไปแต่อริยะสมบัตินี่มันแปลกยิ่งควักแจกก็ยิ่งเจริญไม่ได้พูดก็ยังกันนักขีตกวีอริยทรัพย์นี่มันแปลกก็ยิ่งแจกก็ยิ่งเจริญน่าคล้องจองซะด้วย ยิ่งแจกยิ่งเจริญยิ่งงอกงามอริยสมบัติเนี่ยอันนี้ก็เคยเน้นให้ฟังเคยชี้ให้เห็นว่าการแจกธรรมทานหรือการแจกอริยสมบัติเนี่ยมันแจกแล้วมันไม่จนมันแจกแล้วมันไม่หมดยิ่งแจกก็ยิ่งงามยิ่งแจกก็ยิ่งเจริญยิ่งแจกตัวเองยิ่งแสดงธรรมตัวเองยิ่งตัดสรู้ตัวเองยิ่งเข้าใจลึกซึ้งตัวเองก็ยิ่งรู้สึกว่าได้ควักเนื้อของเราออกมาดูเองถ้าเรามีเนื้อของเราเราได้ควักเนื้อของเราออกมาเองธรรมทิฏฐิญาณใดใดมันเกิดอยู่ที่ยังไม่แจ้งชัด มันจะถูกควักออกมาจริงแต่มันก็มีตัวหลอกเหมือนกันมันผสมผสานโมเมเอาก็มีเมื่อมันเป็นกิเลสเมื่อดันทุรังมันก็ ผ, ผ, ผมมมูผสมผสานโมเมพอผสมผสานโมเมก็ไปกันใหญ่แล้วก็นึกว่าเป็นของดีเหมือนกันนึกว่าเป็นเชิงปัญญาหนักเข้ากลายเป็นพวกจอมโจรบันดิตพูดผิด พ, พูดเพี้ยนพูดอะไรเละเอะเทอะไป ก็เลยกลายเป็นเรื่องรลอเธอะไปแต่ถ้าความจริงเป็นของจริงแล้วนะมันไม่ต้องไปควักอะไรมาผสมอะไรหรอกมันเป็นตัวที่มีอยู่รู้อยู่มันเห็นมันแจ้งมันเรียบมันเรียงหรือว่ามันมีอะไรพอดึงอันนี้ออกมาอันนั้นติดตามมาพอดึงอันนี้ออกมาอันนั้นมันติดตามออกมาเองเคยมีผู้ไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าท่านตรัสท่านสอนหรือว่าท่านอธิบายท่านแสดงธรรม ท่านได้เตรียมตัวมาก่อนที่จะตอบปัญหาใดๆหรือเปล่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราไม่ได้เตรียมตัวอะไรทั้งนั้นเราไม่ได้เตรียมตัวใครจะมีอะไรมาท่านก็ว่าวไปเลยตอบอไปเลยชี้แจงออกไปเลยจะซักเรื่องนอกเรื่องในอะไรก็ตามเรื่องของท่านเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องของท่านนั่นแหละเรื่องของธรรมะเรื่องของสัจธรรมทั้งหลายท่านก็ตอบเลยอย่างนี้ ก็แสดงว่ายิ่งแสดงหรือ ย, ยิ่งแจกยิ่งจ่ายอริยะสมบัตินี้มันไม่มีหมดละมันไม่มีไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่หมดเข้าง่ายๆการกระทํางานยิ่งจ่ายยิ่งรวยใครจะไม่ทำอ่ะทำงานยิ่งจ่ายยิ่งรวยยิ่งจ่ายยิ่งเป็นเศรษฐีใครจะไม่ทําแต่ทางโลกมันจะยิ่งจ่ายไม่ใช่ยิ่งเป็นเศรษฐีแต่อย่างง ย, ยิ่งจ่ายมันยิ่งหมดทุกที ยิ่งจ่ายก็ยิ่งเกลี้ยงสมบัติทางโลกสมบัติวัตถุแต่สมบัติทางธรรมนี้ยิ่งแจกยิ่งจ่ายยิ่งให้ไปยิ่งได้มายิ่งทานก็ยิ่งเจริญงอกงามมันเป็นคุณนะสมบัติแท้ๆพอถึงขั้นที่มันเป็นจริงมันมีจริงมันเป็นจริงนะเพราะฉะนั้นผู้ที่จะแจกธรรมะเป็นทานอยู่นั้นจะบอกว่ามีกิเลส ก็มีก็ว่าได้ว่าโอ้ยยิ่งแจกแล้วยิ่งได้ยิ่งแจกแล้วยิ่งรวยนี่เรื่องอะไรเราก็มีกิเลสเราก็อยากรวยเหมือนกันเนี่แล้วก็ขยันแจกแสิขยันรวยสิก็เราก็อยากจะเจริญก้าวหน้าอยากจะงอกงามอยากจะร่ํารวยอยากเจเป็นมหาเศรษฐีเราก็ยิ่งแจกยิ่งทานยิ่งจะให้ออกยิ่งหาวิธีการแจกหาวิธีการทานหาวิธีการให้มันสอดคล้องไม่คานแยงเลยเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่าโอ้ถ้าพูดถึงทําจุดนี้แล้ว มันก็จะขยันนะดีขยันทานขยันให้ขยันเองเพราะว่ามันเป็นความเจริญทุกคนพระพุทธเจ้ า, าสอนให้วุฒิวุทธิวุธิมีแต่ความเจริญจเจริญขึ้นเจริญขึ ania ania ania ania ania ania ania ania ้นก้าวหน้าขึ้นไม่ให้หยุดอยู่หรือไม่ให้เสื่อมมันเป็นความเห็นด้วยเป็นปัญญาที่เห็นแจ้งว่าโอ๊ยจริงนี่เป็นสัจจะจริงเราต้องเจริญอยู่เ ส, สมอสิสอเราจะไปเสื่อมทําไมเราจะไปหยึดเกาะหยุดอยู่จะทําไมมันเป็นความจริงที่ท่านตรัสนี่ท่านตรัสเป็น สูตรเป็นอะไรไว้ให้เนี่ยมันเป็นความจริงผู้นั้นเห็นจริงก็ทําความจริงนี้ไม่ต้องมาบังคับไม่ต้องมาเข็นไม่ต้องมาฝืดฝืนไม่ฝืดฝืนหรอกไม่ฝืดฝืนมันเป็นเองนะขอยืนยันให้ฟังเมื่อไร่คุณถึงจุดนี้คุณถึงจะรู้ถึงคุณถึงจะเห็นตัวเองถ้ารู้สึกว่าตัวเองขี้เกียจอยู่แล้วไม่ขยันนี่เราก็ยังไม่ฟรนรุธนทำเราก็ยังไม่ขึ้นถึงทำมันก็อยู่อย่างนั้นแหละมันก็มันไม่ฟ้องตัวเองหรอกคนเรามันมันไม่โกหกตัวเองไม่ได้หรอก มันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะพอมันถึงทําแล้วมันไม่มีขี้เกียจมันไม่มีจะบอกว่าขยันก็ขยันจะบอกว่าไม่ขยันมันก็ทําไปตามสัจจะเอ้มันก็ไปเรื่อยๆนี่มันอะไรแต่ใดมันก็ต้องทําได้ไปเรื่อยๆแล้วจะอยู่ว่างๆเปล่าๆเราจะเห็นด้วยซ้ําไปว่าอะไรนี่อะไรอยู่ลอยๆลองๆว่างๆหรือไม่ก็หลบหลีกเลี่ยงไปนั่งหลบนั่งลีกเป็นอะไรแต่ใดไปมันรู้สึกว่ามันจะไปเสพเพลินเสพอะไรแล้วแต่ถ้าชั้นสูงไปแล้วไม่ไปเสพกรามก็ไปเสพหลบเสพสงบ เจ็หยุดแจ็บรีเลรนซึ่งเราก็พูดกันอยู่แล้วขั้นมีอารมณ์นาคะแต่อย่าพึ่งหลงว่าตัวเองเป็นจอมนาคะทั้งหมดแล้วเราไม่มีไอ้ชั้นต่าๆพวกนี้ชั้นพวกนี้อย่าพึ่งนึกว่าเราหมดนะมันเป็นขั้นตอนที่มันรายละเอียดดักระดับมาอยู่แต่เราเองกําลังมีปัญญามองผ่านผ่านขึ้นมาเนี่ยทุกคนมีจอมพรหมอยู่เหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีจอมพรหมไม่ใช่ว่าไม่มีจอมนาค มีทั้งจอมพรมมีทั้งจอมนาคมีทั้งจอมโจรบัณฑิตมีทั้งจอมสามาายาสาไทยแต่เป็นในยะละเอียดลึกซ้อนที่คุณยังมองไม่เห็นได้มันยังเป็นของสุขุมของประณีคุณจับไม่ติดคุณยังเป็นต ะ, ตะแกรงหรือเป็นเ อ, อวนห่างหรือเป็นตะกร้าห่างๆที่ไปช้อนมาไม่ติดะจะเอาของต้องการของมันไม่ได้มาแล้วมันช้อนต ะ, ตะกร้าห่างได้แต่ตัวห ย, ยาบๆใหญ่ๆจะแต่ตก้อนหินตโต ไอ้ก่อนละเอียดเป็นเพชรเป็นพลอยชั้นละเอียดของเขาไม่ได้ติดมาล็อกนี่พวกนี้มันของละเอียดนะเพราะงั้นมันจึงยังไม่สัมผัสหรือยังไม่รับรู้รับรู้ยังไม่ได้ไม่ใช่ไ ม, ม, ม่มีมีตัวใหญ่ตัวเบ้งด้วยตัวใหญ่ในภาษาใหญ่นี่หมายความว่ามันมีริ้วแรงมันบ้าดีเดือดดีมันมีจอมมันมีจอมทางด้านเสียหายดีเห็นผู้ที่มีตาทิพย์เห็นชัด แต่คุณสัมผัสไม่ติดมันเล็กสำหรับคนตาห่างตาทั่วแต่มันใหญ่สำหรับคนตาดีโอ้โหมีตัวใหญ่ออกอย่างนั้นมีเนื้อมีตัวมีหางมีงอนมีโอ้ครบเครื่องเลยแต่คุณไม่รู้มันนะอย่าเพิ่งเข้าใจว่าไม่มีนะมีทั้งสิ้นพวกนี้ก็ยังเหลือยังมี อันนี้พอเวลาเรามีเรียนมาเรียนรู้แล้วเราก็จะรู้ความหมายมีอะไรอะไรแล้วก็มีตัวจริงเข้ามาด้วยแล้วมันก็เลยเห็นว่ามันได้ง่ายได้ได้อะไรก็ยิ่งมาติดอย่างจอมนาคงี้ยมายอมหลบหลบเลี่ย ง, งอยู่หลบหลบลีไปไม่เอาฐานไม่เอาพาราอะไรก็คลเฉ ย, ยไปเฉยมามันง่ายง่า ย, ง, ายง่ายกว่าอะไรหมดไอตัวนี้ตัวงูเหลือมงูหลามใหญ่เนี่ยจอมนาคเนี่มันง่ายกว่าอะไรหมดมันจึง ช่วยได้ช่วยเอาพอมารู้เหลี่ยมรู้มุมเข้าใจด้วยปัญญาแล้วอ๋อไอ้ น, นี้ช่วยเอาสิเรามันของสอบอมอนีอ่ชักมีใจไม่ค่อยดินรน่นอยากจะอวดโออยากจะเร่งเราเร่งร้อนอะไรทั้งโลกโลกบางพอสมควรแล้วมันก็ไม่เอาอาทีนี้มาเข้าเป็นนึ่งเรื่องไปเป็นขั้นๆ ต, ตอนๆไปคำว่ามารใหญ่ที่บอกว่าคลุมไปทั้งหมดเนี่ยพญา ม, มารทุกอย่างเป็นมารบอกแล้ว แขนตั้งพันเ น, นรมิตรแขนตั้งพันเนรมิตรนี่มันไม่แปลว่าไดเนรมิตรแปลว่ามันสร้างกันอยู่เนรมิตรเปลแปลว่าการสร้างนในโลกทั้งโลกเนี่ยในหมู่คนทั้งหมู่คนนี่ล้วนแล้วแต่สร้างล้วนแล้วแต่เป็นพวกสังขารปรุงแต่งสร้าง เมื่อปรุงแต่งสร้างแล้วก็ปรุงแต่งสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยขึ้นมาให้แก่โลกที่จะบีบบังคับเข้าไปให้เราตกต่ำไปอยู่แบบโลกียะไม่มีการหลุดพ้นได้อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดสร้างอยู่หมดเป็นมารแก่พรหมจรรย์ทั้งสิ้นในโลกเนี่ยทิศทางของพระอริยเจ้าเท่านั้นที่จะสร้างสัพพธรรมาวุธ ร้างสพธรรมาวุธขึ้นมาปราบมารทั้งหลายแหลตั้งแต่หยาบใหญ่จนกระทั่งถึงละเอียดเพราะฉะนั้นมานี้ระหนึ่งจะมีโอ้โหมันมีตั้งมือเป็นพันมีอาวุธอย่างสำคัญมีอาวุธก็คือมีสิ่งที่มีฤทธิ์มีแรงเครื่องมือที่จะประหัตประหารจะเข้นฆ่าคนลงไปให้ตายเน่าลงไปอยู่ในกโลกนะไม่ให้งอกให้เงยไม่ให้พุธให้เกิดมาเป็นพระไม่ให้พุธให้เกิดมาเป็น อริยะบุคคลได้มีแต่อาวุธที่จะฆ่าแกงลงไปไปเป็นเป็นมารเป็นผีเป็นมารเป็นผีทั้งสิ้นอาวุธเหล่านี้เขาก็มีพระหรืออริยะก็ต้องมีอาวุธมีเรียกว่าธรรมอาวุธอาวุธทางธรรมส่วนพวกนี้ก็เป็นอาวุธเป็นแรงเป็นฤทธิ์เป็นอำนาจเป็นเป็นอาวุธปราบ เรียกว่าแหลมคมจะเรียกว่ามีริ้แรงอะไรก็ได้นี่เป็นความหมายฟังดีๆนะเพราะฉะนั้นในคํากรอนในคํากล่าวในคําที่แต่งมาเนี่ยแม่บอกชื่อออกมาแต่แค่นี้แต่ขยายความบรรยายแล้วได้มันเยอะแยะมันมีฤิ้ดอยู่ทั่วไปเลยคุณออกไปสู่สังคมเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหมันปรุงมันแต่งกันมันพยายามโฆษณาเอาวิทยุมาเปิดเครื่องหนึ่งขึ้นมาเดี๋ยวนี้สิจะเชื่อฟังนี่แหละคือ อาวุธนี่แหละคือแขนทั้งหลายของมันมันยาวยิ่งกว่าไม้นากัะขนง่งโน่นมันโฆษณาอยู่ทั้งหมดต่างประเทศน่ยมันยื่นมือยาวมาถึงนี่มาเฮ้ยเฮ้ไปเอาไปเอาอย่างที่ข่าบอกนี่นะมันหลอกมันลวงมันลอ่อมันปลอมมันพยายามที่จะทําให้เราหลงหลมทุกสิ่งทุกอย่างตลอดทางตลอดเรื่องมาเอาอันนี้มาเอาอยิ่งยิ่งหยอกหยังดีนะี่อย่างนี้เป็นเรื่องของมนุษย์จะต้องได้ต้องเป็นต้องมีของเสพของสุข ของวิเศษของดบของดีของเลิศของยอดอย่างนี้เราไปทาอย่างนี้ไปเต้นอย่างนี้ไปดีดอย่างนี้ไปเป็นอย่างนี้ไปมีอย่างนี้อันนี้วัตถุอย่างนี้ของเลิศของยอดทั้งสิ้นทำวิธีการนี้เป็นอย่างนี้สิแม้แต่อบายมุกมันก็สร้างแขนตั้งพันสร้างอาวุธครบมืออบายมุกก็คือตัวมารใหญ่ของการ ทําให้คนเป็นผีนะอบายมุกก็คือผีอบายสัตว์อบายผีมารใหญ่มานหยาบที่สุดมีแขนตั้งพันมากไปไหนก็เดินชนเกลือนเดินชนเกลือนไม่หมดอบายมุกเดี๋ยวนี้ยิ่งชัดเด่นเดี๋ยวนี้ยิ่งชัดเด่นมีแต่มารอบายมีแต่มารความเสื่อมทั้งสิ้นทางแห่งความผิบหายทั้งนั้นย่อแยะเป็นการพ น, นันเป็นสิ่งเสพติด เป็นสิ่งมหอเราสบการและเล่นบันเทิงอะไรเริงรมโอ้ยฉาพอกแหลมคมเป็นอาวุธที่จะล่อหลอกอย่างแหลมคมให้เราหลงหลมเขาจะพยายามฉลาดที่สุดที่จะมาให้เรารู้ทันว่าเป็นสิ่งที่มอมเมานี่มา น, น, นทั้งสิ่นมานใหญ่มากเนี่ยแขนพันแขนตั้งพันแขนตั้งพันคือมันมีไปหมดทุกแขนทุกทิศทุกทางไปหมดตัวใหญ่รอบตัวจับเรามัด แขนพันนี่จับเรามัดมาอย่างแหลมอย่างคมอย่างอาวุธครบมือมาทั้งเหนือเมฆมาทั้งขี่ช้างใหญ่ๆมีอํานาจคมขีเลยสแสดงถึงอํานาจพลังใหญ่มาทั้งซ่อนมาบนเมฆขี่เมฆขี่เมฆมาด้วยขี่ช้างมาด้วยทั้งใหญ่ทั้งมาอย่างเหนือเมฆขี่เมฆมาไม่ให้รู้ได้ง่าย มากมายดังสนั่นวันไหวโหวร้องกึกก้องเข้ามาประจนประจันอยู่คุณประจันอยู่กับมารทั้งสิ้นตลอดเวลาทุกขณะคุณประจนประจันอยู่กับมารตลอดเวลาไม่ไม่มีอื่นเลยใครเห็นบ้างคนเกิดดวงตาแห่งธรรมเกิดธรรมจักรสุเห็นแล้วโอ๋หนอนี่เราอยืนอยู่ในกลุ่มมารทั้งสิ้นยิ่งคุณอยู่กลางโลก คุณถูกหลอกอยู่คุณก็จะรู้ตัวว่าโอ้โหมานมัดเราเส้นด้วยแขนพันมือมันเอาชีดเอามีดเอาอาวุธเชือดเนื้อเอถือหนังเราตลอดจริงๆเลยตลอดจริงๆฟังแล้วดูแล้วน่ากลัวถ้าเข้าใจธรรมมาแล้วจะเห็นมันจริงๆถ้าฟังโดยภาษาตื่นไม่รู้เรื่องแต่ฟังโดยภาษาธรรมมาทิฐานธรรมมาแท้ๆมันชัดยิ่งกว่าชัดอะไรขนาดนี้มันชั้นง่ายที่สุดและเรื่องที่หนึ่ง บทที่หนึ่งคุณไม่รู้จักมาเหล่านี้ได้อย่างไรนะมันเป็นเรื่องปกติปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องที่ต้องทำนี่ขั้นที่นึงคุณรีบเลิอกออกมาให้เข้าไปในโลกเสียสละเสียอย่าไปหลงลมอย่าไปหลงติดอยู่อย่าไปอยากได้ให้ไปรีบปลดปล่อยเอาขี้ทั้งสิ้นย้อมคืนกขาไปในโลกโดยเฉพาะยิ่งอบายยมุกหรือเรื่องเลวร้ายทุจริต เรื่องเวลวรายทุจริตต่างๆนานาให้เขาไปเลยรีบไม่เอาละไอ้นี้ใครจะทําอยู่เรื่องของเขาเรารีบเอาตัวรอดก่อนคําว่ารีบเอาตัวรอดเนี่ฟังแล้วก็ดูเหมือนว่าแหมเรานี่ไม่มันเห็นแก่ตัวอ้าวก็เราก็จะต้องสลัดทําให้ตัวเราเองแข็งแรงก่อนเป็นผู้พิชิตเป็นที่พึ่งเรารู้แล้วโดยปัญญาญาโดยโดวงตาเอาก่อนเอาก่อนเป็นคนแข็งแรงให้ไป ให้ไปอย่าไปหวงแหนอย่าไปแย่งชิงกับเขาอยู่ในโลกพานาทิธรรมมวิทินามันเป็นหลักต้นเลยหลักต้นเมื่อคุณให้ไปคืนก็ไปไม่เอาแล้วเลิกแล้วหยุดแล้วจงเอาไปเถิดใครยังชื่นใจใครยังอรเด็จอะ่อยใครยังเสพสมสุขสมใครยังเป็นมัว่วมุ่นกันอยู่เมาไม้กันอยู่ยังไรเสพกันอยู่ติดกันอยู่ยางไรก็เชิญเลย เมื่ขั้นยาบอย่างนี้ก็รู้กันง่ายๆคุณวางปล่อยพอรู้ในทันทีคุณวางปล่อยนะั่นคือให้วางปลดหลดุดเอาไปไม่เอาแล้วไม่เอาทั้งกายคุณไม่ไปแตะต้องไม่คลุกครีไม่เกี่ยวข้องทั้งกายไม่หลงว่าเป็นสวรรค์แต่ก่อนเราหลงว่าเป็นสวรรค์สังฆสังฆนิกะหรือว่าสังสัคกะเราหลงว่าเป็น สวรรค์สักกะเราก็เลยไปประกอบฝังแปลว่าประกอบหรือว่าไปมีไปคลุกขีอยู่ไปเป็นไปมีอยู่ไปมีสวรรค์ น, นั้นไปคุกขีสวรรค์ น, นั้นอยู่เรียกว่าสังสัคคะสังคณิกะก็ยังไปเป็นคณะนั้นแหละหมู่นั้นแหละยังไปติดกันอยู่ <adoption> ยังไปรวมเป็นอย่างนั้นอยู่อย่างนั้นกับคนกลุ่มนั้นสังคณิกะเสพ อ, อย่างนั้นเรารู้ตัวแล้วเราไม่เอาแล้วอยู่กับคณะอย่างนี้ไม่เอาแล้วหาคณะใหม่ หาคณะทินดีไม่หลงแล้วสวรรค์นี้จิตมันหลงมันหลงจริงๆนะมันเสพเป็นสวรรค์โอ้ได้ไปเป็นอย่างนั้นได้ไปมีอย่างนั้นได้ไปสัมผัสเกี่ยวข้องอย่างนั้นคลุกคลีอย่างนั้ น, น, นมันอร่อยดีนะมันเป็นความสุขแต่ก่อนหลงจริงๆพอเรารู้แล้วเราก็เลิอกออกมาให้ได้จนเราจืดจางไม่เป็นรสโลกไม่เป็นรสสัญยมโลกโลกไม่เป็นสวรรค์แท้จริงตัดใจขาด ปัญญาเห็นแจ้งล้างจืดจางหมดดับได้ไม่เป็นสวรรค์อีกแล้วจนกระทั่งอยู่กับมันต่อหน้ามันสัมผัสมันมันจะรอบทวนอยู่กับเราเราก็สบายแตะไม่ติดไม่ดูดไม่ซึมสิ่งอย่างนี้มันมีอยู่ในโลกเป็นมนันวิ่งวุ่นจนชนเราประจันเราอยู่เนี่ยมาทั้งใต้ดินบนน้ามาทั้งบนอากาศมาทุกทุกอย่างทุกแห่ง เป็นมารอยู่ในโลกนี้เห็นอยู่รู้อยู่มีแขนพันมีอาวุธครบมือที่แทงคนอยู่ตลอดเวลาเราเห็นว่ามันกำลังคุกคามมนุษย์อยู่ตลอดเวลาเต็มไปหมดยิ่งเราหลุดพ้นเรายิ่งตาดีเรายิ่งเห็นมารชัดเรายิ่งเห็นอาวุธมันเรายิ่งเห็นเล่ห์เหลี่ยมของมันเรายิ่งเข้าใจความดุร้ายโหร้องตะคอกคูของมัน และมันประจันมันประจนอยู่ในนี้ตลอดการอยู่อย่าว่าแต่ที่นี่ที่ไหนหมดในนี้ก็มีมารชนิดของที่นี่ข้างนอกข้างไหนในโลกก็มีมารชนิดของโลกนี่คือสัจธรรมนี่คือความจรงิงใครรู้ตัวรีบคืนให้เข้าไปทานหยุดให้เข้าไปอย่าไปอย่าไปแย่งโลกมาอย่าไปเอาทานหมายความว่าหยุดออก ให้ออกไปเลิอกออกไปที่จริงเราไม่ได้ให้เราเขาเอากันอยู่เราอย่าไปเอากับเขานั่นเองความหมายที่ลึกซึ้งเราอย่าไปเอากับเขาอย่าไปติดกับเขาอย่าไปเสพกับเขาที่ยกตัวอย่างอบายามุกนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องง่ายเรื่องยาบเรื่องต่ําเรื่องเข้าใจได้เป็นพื้นฐานแม้แต่จะไล่เข้ามาในเอาโลกทั้งสี่ที่เคยอธิบายมาคุณก็จะต้องรู้ว่า โลกมันหลอกเราให้อย่าว่าแต่ไปติดอบายามุกไปหลงว่าอบายามุกเป็นสวรรค์เลยลาบได้ลาบมาก็เป็นสวรรค์ได้ยศมาก็เป็นสวรรค์เขาสรรเสริญเยินยอปอปั้นทูเชิดก็เป็นสวรรค์หรือนัยยะอะไรต่างๆเขาบอกว่าอย่างนี้นะไปปรุงไปปนมาสิไปคลุกคลีไปร่วมสัมผัสสิเป็นสุขนโลจียสุขไม่ว่าจะได้สัมผัสรูปที่เราไปหลงตามเขาหลอกมารถ กลิ่นเสียงหรือสัมผัสโดยกรรมวิธีใดๆก็ตามคุณก็หลงว่าเป็นสังสักะหรือเป็นสวรรค์ทีินนาหน้าได้หน้านี้น่าเป็นเราต้องเรียนรู้สวรรค์สวรรค์เกเพราะฉะนั้นทานศีลสัก ข, ขะนี่เป็นเบื้องต้นเป็นอาธิธรรมเป็นธรรมะขั้นอาธิเป็นตาธรรมะเงื่อนต้นเป็นธรรมะเบื้องต้น มันเป็นโทษเป็นภัยของมนุษย์ในโลกควรจะเห็นโทษเห็นอารทีนวะมันเป็นเรื่องที่ทำให้คนอยากใคลติดยึดไฟเสพอยู่ตลอดการเมื่อผู้รู้ต้องเนกขมะต้องปฏิบัติตนประพฤติเพื่อหลุดล่อนออกมาหรือเพื่อทานนั่นเองย้อนกลับไปก็คือทานย้อนกลับไปก็คือทาน จะต้องรู้เท่าทันในสวรรค์ขี้เกย์พวกนี้มันไม่ใช่สวรรค์มันเป็นของหลวงเราจะต้องอสังสักกะอะสังสักกะไม่ไ ม, ไม่ไม่เอาสวรรค์นี้ไม่หลงสวรรค์นี้ไม่เป็นสวรรค์นี้อสังสักกะไม่ปรุงแต่งมาให้เป็นสวรรค์แก่เราจริงๆเพราะฉะนั้นสูงขึ้นไปกว่านั้นอีก แม้แต่โลกระดับอัตตาเราก็ยังไปเสพสุขเสพสมอยู่อีกก็ในยะเดียวกันนะที่เราเคยเรียนมานี่ทบทวนเช็คภูมิ น, ะนี่พูดเป็นต้นให้ฟังว่ามานี่มันทั้งหมดรวมทั้งหมดเลยมานี่มรวมทั้งหมดที่ในยะละเอียดเดี๋ยวจะไล่เข้ามาก็จะตกเมื่อเรามาหยับหยาบใหญ่ๆแบบคิโลโทรเราก็จะค่อยๆเข้าใจว่าปลดลงมาปลดลงมาปลดลงม า, งมานะพวกเหล่านะั้นเป็นของหยาบมาในของหยาบกล้านอยู่ในโลก มนอย่างโลกโลกผู้ที่รู้แล้วผู้มีบารมีทางธรรมผู้มีดวงตาที่แท้มีอินทรีย์พระมีกิตแข็งแรงไม่อ่อนแอพอรู้ด้วยปัญญาสลัดฝึงเลยบางคนมีบารมีแล้วไม่ติดไม่ติดด้วยสามะบายมุกต่างๆไม่ได้ติดลรอกแต่ถูกมารพันมือมันโอ้โหมันกระ น, นํากลอกหัวอ ะ, ะไรต่างๆนานาก็ไปไปหลงผิดชั่วคราวอะ่ะก็ไปคลุกคลีไปกับเขาไปหลงไปพอ เกิดปัญญายาลรู้สึกตัวตอนนั้นมันก็ยังเหมือนคนเมาเมาเหมือนคนที่ถูกสิงถูกเข้ารงแบบเล่นเล่นดิงลมไม่ใช่เหมือนกับคนเข้าซงเงี้เมาเมาไม่รู้เรื่องเขาก็หลอกไปเรื่อะไรคล้ายๆอย่างนั้นแหละและเป็นจริงด้วยเราเมาโลกเมาครงั้นเราไม่มีสติสัมปชัญญะปัญญาเป็นตัวของตัวเองถูกครอบงาไปช่วงระยะหนึ่งนี่ะมาณพันมือครอบงาอยู่ มันมีเล่เหลี่ยมมันมีอาวุธครบมือมันมีอันสิ่งที่แหลมคมที่จะหลอกล่อที่จะดึ ง, ด, งดึงดันเอาไปจริงจริงแล้วเราพอผู้ใดมีธรรมะนะพอรู้สึกตัวว่าไม่เมามันลิงลมไม่เมามันถูกซองถูกสิงพอรู้ตัวรู้สึกมีสํานึกแล้วเกิดดวงตาธรรมะโออย่างงั้นเหรอสลัดตึงมันก็ปล่อยเลยออกไปเลยให้ไปเลยเลิกไม่เอาแล้วให้หรือทานนะก็คือไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอย่างนี้เป็นตน้นเป็นอารติ มีวิธีอะไรมีวิธีให้ไปเลยเลิกไปเลยหยุดไปเลยไม่เอาไปเลยให้ก็คือไม่เอามีนัยยะละเอียดอย่างนี้มีความหมายง่ายง่ายอย่างนี้ทานนียิ่งใหญ่มากเป็นความหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเราไม่ติดไม่เสพไม่ยุดนะไม่ไม่เอาง่ายง่ายอย่างเงี้ยความหมายง่ายง่ายอย่างเงี้ยแต่ก็ลึกซึ้งอยู่ในตัวนะโดยธรรมปฏิฐานโดยภาษ า, ษาธรรมโดยทางธรรมมันต้องรู้ตัวเราเองแล้วเราก็สลับออกมา ใครอยู่ในฐานไหนที่พูดไล่เรียงเป็นความหมายให้ฟังว่าตั้งแต่โลกอบายจนกระทั่งโลกกระทำโลกกามจนถึงอัตตาเนี่ยพูดคร่าวๆ ข, ขึ้นมานใครรู้ก็เตรียมสอบทานขึ้นไปนะนทีนี้ก็ขอเพิ่มขอต่อในระยะพยายักษนี้ พยายักษนี่มาราติเลกะก็มานี่กแ็แหละมานึยักษนี่ก็เหมือนกันเนี่ยพยายักนี่มาราติเลกเนี่ยก็เหมือนกันเขากเรียกมานีแ่แหละแต่ว่ามานชนิดนี้มีความหมายแยกแยะออกมาไม่ได้ตีถัว่วเต็มกลุ่มหมดเลยเน้นเข้ามาหาถึงจิตเมื่ออาลวาดกยักมาราติเลกะมาพิยุทธชิตสัพพรัติงโครัมปนาละวกรรมขัม อรละวะกามขมะทัทยักษังนะมีตัวอย่างมีในปุกาลาธิฏฐานอย่างมารน่ยทั่วไปนะตอนนี้มาร์นั น, นี้เป็นมารอารละวัยักษ์ชื่อมารอารละวัยักษ์มีในตำนานมีในนิทานของพระพุทธเจ้านีนะ่ยักษ์เนี่ยมีคุณนะที่จริงเป็นคุณไม่ใช่คุณหรอกเป็นของขี้ก เ, ขเกเลเก แต่เป็นสั ญ, ญลักษณ์นี่กว่าสั ญ, ญลักษณ์ดีกว่าจะเรียกว่าคุณลักษณะเรียกว่าสั ญ, ญลักษณ์ษณะมีลักษณะอย่างไรยักษ์เมื่ออาลวักยะอาลวักระบ ย, ยะมีจิตกระด้างปราศจากความอดทนมีฤทธิ์ยิ่งกว่าพญามารเข้ามากระทํายึดอยู่ตลอดคืนนี่ในความหมายที่คําต่างๆที่เอามาเรียงอัดกันไว้เนี่นก็พยายามแปลกันออกมาแล้ว อยู่ตลอดคืนซะด้วยไงอาคำว่ากลางคืนนี่ก็หมายความถึงในพบหรือในภูมิหรือในที่ที่มันมีสิ่งที่บงังสิ่งที่มืดสิ่งที่ปิดเพราะฉะนั้นคำว่ายากนี่หมายเอาจิตโดยตรงไม่ได้หมายเอาทั่วไปเบื้องนอกเหมือนมารทั่วไปพันมือทุกอย่างอธิบายไว้แล้วบอกว่าหมดอันนี้หมายเน้นก็ไปหาปรมตถหาจิตหาวิญญาณ ยักษ์จึงไม่ได้หมายความว่าอตัวตนบุคคลเราเขาไม่ต้องบอกอาลาวะกะยักษ์ของพระพุทธเจ้าเอายักษ์ความหมายที่แท้มีสั ญ, ญลักษณ์หนึ่งมีจิตกระด้างสองอ่อนแอรปราศจากความอดทนแปลว่าอ่อนแอปราศจากความอดทนแปลว่าอ่อนแอมีจิตกระด้างแข็ง เหมือนแข็งแรงแต่เปล่าแข็งกระดา้งดง า, างแข็งดูเหมือนแข็งในท่าทางแอแข็งนี่โดยรูปนะโดยรูปโดยรูปเป็นศักษณะแข็งแข็งดัดไม่ค่อยได้ดัดไม่ค่อยไปเป็นเหมือนมันของแรงแรงเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะช่วยบางคนอยากจะเกี่ยวข้องบางคนถ้าเห็นกระด้างกระด้างแข็งแข็งอย่างนี้ก็ไม่เอา อน้ดัดยากดูดูทื่อๆแข็งแข็งแล้วอ่อนแอด้วยของแข็งแข็งและอ่อนแอทักนี่เปราะเปลาะง่ายเลยเปราะง่ายไม่อดทนอ่อนแอมีลักษณะยักษ์อย่าเข้าใจว่ายักษ์นี่ยิ่งใหญ่มันตัวใหญ่มันมีลักษณะกินตัวคนใหญ่ๆมันครอบงำคนอยู่อย่างใหญ่หลวง ไอ้คำว่าใหญ่คำนี้มันครอบงำคนอยู่อย่างใหญ่หลวงขนาดใหญ่ๆอย่างนี้คนยังค่อยยังตาบอดนะตาไม่คยเห็นไม่คยเห็นไอ้ยักษ์นี่ตัวใหญ่ใหญ่ไม่คยเห็นนะมันชนตาอยู่แท้ๆลักษณะมันแข็งกระด้างลักษณะมันดุดันก้าวร้าวดุเดือดอำมหิตโหดแรงร้ายแรงจึงเรียกว่าลักษณะยักษ์ นี่บอกถึงสั ญ, ญลักษณ์หรือลักษณะของสิ่งที่เลวร้ายเพราะฉะนั้นขึ้นนาหน้าก่อนเลวร้ายนี่คือแรงร้ายแรงร้ายแรงแรงมีลักษณะแรงแรงเพราะฉะนั้นถ้าสุภาพก็อ่อนโยนไม่ใช่ร้ายร้ายแรงแรงเพราะลักษณะอ่อนโยนดีกว่าร้ายร้ายแรงแรงมีความหมายเสร็จแล้วก็ไม่อดทนไม่แข็งแรงอ่อนแอนี่เป็นคุณ ไม่ใช่คุณพูดแล้วจะติดผาเป็นสัญลักษณ์ไม่ใช่คุณลักษณะเป็นลักษณะทางได้ไม่ใช่คุณลักษณะไม่ใช่ลักษณะทางดีในลักษณะทางได้เป็นแต่เป็นลักษณะนะเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายฟังเอาไว้เป็นคุณธรรมของคนที่เป็นมีลักษณะอย่างนั้นจิตวิญญาณก็อย่างนั้นลักษณะก็อย่างนั้นบางคนเป็นคนใหญ่เป็นผู้ชายตัวใหญ่ล่ำสันกําลังกายดีแข็งแรง แต่ใจเป็นยักษ์ดุดุร้ายดุเดือดแข็งกระด้างก้าวร้าวอมมหิดโหดร้ายทารุณบางคนตัวใจเดียวนิดเดียวตัวน้อยตัวเล็กเป็นผู้หญิงด้วยแต่ใจอมมหิดโหดร้ายรุนแรงนี่ยักษ์ทั้งนั้นพูดคำสองคำยิงฟันมีลักษณะตาโปนทะลวงดูเขาดุปั้นเป็นรูปลักษณะยักษ์นี่ตาตโปนทะเล็ แรงแยกเจียวจะกัดอยู่ท่าเดียวจะกัดอยู่ท่าเดียว<น>ถือกระ บ, บองเสมอเลยมาได้พุบหัวตายเลยดุกลักษณะดุกแต่ไม่เก่งไม่ยีเอยไม่หาวแมนนี่ยี่เอยเลยไม่เท่าไรเลยยักอ้อนแอปาดง่ายเป็นของที่ทำไม่ได้ก่อนปาดง่าย แต่ตัวที่เป็นนั้นแก้ยากฟังนั้นมันย้อนคนที่เป็นนั้นแ่ะเขาแก้ของเขายากเพราะเขาตาเมื่อตาบอดแต่เป็นของหยาบเป็นของใหญ่อยักนี่เป็นของหยาบเป็นของใหญ่รู้ง่ายมองนิดเดียวก็เห็นแล้วลูกกระตากาลธลตออกมาทำไมมันจะเป็นรูหยากอะไรดุหรือเปล่าก็เชี่ยวมันกลางยิงยิงฟันนี้ทำไมมันไม่รู้ว่ามันดุหรอดุไม่คุ้นเข้าใกล้ไม่คุ้นเข้าใกล้ พวกนี้ต้งบอกว่าก็ต้องอดทนหน่อยมันมีอยู่ในโลกนี่ต้องใช้ความอดทนขันตีสุทันตะสุทันตะสุทันตะหมายเขามาฝึกดีแล้วมีความหมายชัดไปกว่านั้นสุทันตะทนนี่แปลฟันแปลว่าเขี่ยวทนทันตะแปลโดยอาดก็แปลว่าฝึกดีแล้วแปลโดยพยญชนะแปลว่า มีฟันมีเขี้ยวงามแล้วทีนี้ไม่เอาแล้วเขี่ยวอย่างแดคิร่าไม่อวดไม่อ้างแล้วเพราะฉะนั้นก็ทําเป็นผีก็ดีเป็นยักษ์ก็ดีทําเขี้ยวออกมานหนังทําเป็นปุกลาธิฐานดูดเลือดมนุษย์กินชีวิตมนุษย์สิ่งสําคัญในมนุษย์ก็คือเลือดมันจะดูดเลือดมนุษย์นี่ดูดเลี้ยวดูดแรงดูดปัญญาดูดชีวิตชีวาของคนไป คนไปหลงว่าเราเป็นหลงตามที่โลกหลอกนึกว่าเราเป็นชีวิตชีวาแหมเป็นสุขกเกษมชื่นใจอร็สอร่อยที่ไหนได้ไปถูกเด็กิลา่าซ้อนหรือถูกผีหลอกมารหลอกยักษ์หลอกดูกินเลือดจูดูกินเด้่ยวกินแรงกินชีวิตชีวาไม่ใช่ว่าได้มีชีวิตชีวาฟัางธรรมะมันทวนกระแสอย่างนี้เสมอธรรมะที่แท้มันทวนกระแสอย่างนี้เสมอเป็นความรู้ มันลองดูดเลือกกินเลือดเราอยู่ตลอดเวลากินชีวิตชีวาเรานึกว่าเราไปมีอย่างเขาเป็นนี่เป็นชีวิตชีวาแม้ได้ไปเสพอบายมุขนัง่งทั้งวันทั้งคืนเุ้ยสนุกจริงชื่นใจเล่นไพ่เล่นการพนันไปดูหนังดูไหนถูกขโมยเมาครอบงำเป็นอบายมุขนี่ยกตยัวอย่างอบายมุขเพราะมันชัดเป็นมารยากอยู่ในโลกชั้นเดียวกันจิตที่ยังไปเป็นอย่างนั้นแล้วดูเดือดคุณติดคนติดอบายมุขคนติดการพ น, นันติดไพ่ใจดูเดือดแข็งห้าวกล้า กาวเราละละรานพูดกันยากพูดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะ่ะฉันต่ําฉันต่ําแต่อ่อนแอพวกนี้อ่อนแอไม่อดทนไม่สู้ฝืนเพราะฉะนั้นผู้ใดมีต้องเอาความอดทนสู้ฝืนต้องเอาความอดทนเขาแก้ถ้าผู้ใดมีเพราะจิตอย่างนี้แหละของคนจิตอย่างนี้แหละของคนจิตยักษ์อย่างนี้ของคนมันอ่อนแอไม่ได้ต้องกลับกันเลยแก้ไขเราต้องขัน ทันต<ฆ asthma>ีฝึกฝนฝึกฝนฝึกฝนฝึกฝนฝึกให้ดีสุดทันต์สุทันตะที่จริงมันแปลว่าฝึกดีแล้วล้างเขี่ยวเป็นเขี่ยวงามเป็นผู้มีฟันมีเขี่ยวงามมีอาวุธอันวิเศษงดงามถ้าแปลว่าอาวุธก็แปลได้ทันต์าแปลว่าอาวุธด้วยชุบแปลว่างามแปลว่าดีสุทันตะมีอาวุธอันงามแล้วเป็นอาวุธอันงามแล้ว แม้ในเขี้ยวเขี้วงาของสัตว์โลกของมนุษย์ก็ตามเขาถือว่าเป็นอาวุธประจำตัวแต่ก่อนเป็นอาวุธอย่างเดาชิร่าโพลอวดโอจะู่เขาเขี้ยวก็ ง, งอกออกมาข้างนอกขู่เขาแห่แห่แแห่เรายิงฟันอย่างนี้ไม่รู้ยิงไปนี่ก็แห้งแห้งแห้งๆนะมันไม่เห็นชัดถ้าสแสดงเป็นศิลปินจริงๆก็เอาเขี้ยวแบบที่เขาเล่นนะอย่างเด็กนักาวุธใจทาให้ดูเลย มันเป็นบุคลาพิฐานแต่ชัดชัดถ้าเรารู้ธรรมะเราจะเห็นความจริงที่ชัดเจ น, นเราจะรู้นี่เป็นศิลปะซ้อนแฝงอยู่พวกนั้นก็ซ้อนแฝงไวเพื่อให้คนที่มีภูมิถึงกันรู้นี่เรามีภูมิถึงแล้วเราฟังแล้วเรารู้เรื่องคนไม่รู้เรื่องที่จริงก็เป็นกว่าแดกคิล่าเนี่ยเขาไปว่าแดกเอาว่าด่าเอาด้วยก็ไม่รู้ตัวแดกคิล่าเพราะเราก็ต้องมีพระเอก จะต้องไปปราบแด็กทร่านี่มาให้มันลุกขึ้นมาดูดเลือดคนจะปราบได้ก็จะต้องแหน่ลำบากลําบ น, นมันต้องใช้วิธีกลจึงเรียกว่าต้องปราบกันกลางคื น, นต้องกระนําตอกย้ําแล้วย้ําอีกตีแล้วตีอีกตอกเอาไว้ตอกเอาไว้ตอกหน้าอกติดลงเห็นไหมแดคิทร่าเอาอะไรไปตอกยอดอกเลยใช่ไหม พระเอกก็ต้องมาคอยตอกตอแต่มันก็วุสารอบลุกขึ้นมาแล้วก็ให้มีนางเอกพระเอกนี่ก็จะคอยรักษาป้องกันนางเอกไว้อย่าให้มาถูกหลอกไปกินดูดเลือดไอ้นางเอกก็แหมแสนที่จะทรยศนางโมรานี่มันยอดทรยศจริงๆใจแหมติดใจแดกข่้ราไปยื่นคอยเกาดูดเลือดพูดแล้วมัน ตอบไปความต้งไปรู้กี่ทีก็ยังอุตส่าห์เป็นนางโมราอยู่นั่นเองนะมันก็ว่าเป็นนางเอกคู่กับพระเอกนะก็ไหนว่าเป็นคู่กันก็อยากจะดีก็บอกว่าอยากจะดีนะความจริงต้องว่อยากจะดีแต่พาไปให้แดกคิร่าดูดเลือดเหรเห็นไหมนี่พูดอย่างแสดงให้ฟังนี่แสดงศิละปะให้ฟังไม่ใช่จิตใจเป็นหรอกนะจิตใจก็ไม่ได้เป็นแต่แสดงรีลายบังว่าเป็นอย่างนี้โลกมันย้อนแย้งอยู่อย่างนี้ ทันเดียวกันแล้วเรื่องรามเกียรตินี่นางสีดานี่เป็นคู่ของเป็นเมียรพระรามแต่ผ่ายักษ์เอาไปเสนีจไปครองผ่ายักษ์เอาไปครองนี่เมียก็ามันแย่งเอาเมียคืนมาก็เหมือนกันลานิทานนัน้นเรื่องเดียวกันทั้งนั้น่ะเรื่องคล้ายกันนะเรื่องแดกิรา่าของฝรั่งตะวันตกเรื่องรามเกียรติแย่งนางสีดาเหมือนกันเหมือนกันแต่ยักษ์อันนั้นมียี่สบมือเท่านั้น ยักษ์ทศกัณ์มียี่สิบมือมีสิบเสียรไม่ว่าเท่านั้นมันไม่ถึงพันมือแต่พวกนี้ใจแข็งกระด้างเอามาหิตาปนนั่นแหละเขาก็ว่ากันไปในแบบนั้นยกักษ์เพราะเราจะต้องถ้ามันเกิดที่เราเราจะต้องสู้ด้วยความอดทนมันมีอยู่อย่างนี้แหละต้องอดทนสู้ฝึกฝนปราบปราณ น, นี่ความหมายง่ายๆวามหมายอย่างนี้ขันตขันตี สุธนตะวิทนาขันตีสุทันตะอดทนฝึกฝนอบรมตนปราบปรามเมื่ออยู่ที่ตนเมื่อเรารู้แล้วว่าธรรมาทิฏฐานนั้นมันไม่อื่นจิตวิญญาณมันอยู่ที่เราจิตวิญญาณยักษ์ก็อยู่ที่เราเรากระด้างเรารู้ธรรมะฟังธรรมะออกแล้วแต่จิตกระด้างและจิตอ่อนแอรู้แล้วธรรมะแต่ไม่อดทนภาคเพียรไม่ฝึกฝน ไม่สุทันตะไม่ฝึกให้ดีแล้วหรือไม่ทําให้เป็นคนที่มีอาวุธแต่ต้องทําเป็นอาวุธธรรมะเป็นธรรมาวุธไม่ใช่มามีอาวุธแล้วกลายไปเป็นอาวุธของมารไม่เอาเราจะกลายถ้าเราเองนี่เราเป็นตัวกลางถ้าเราไม่เป็นพวกของมารเราก็เป็นพวกของพระเป็นพวกของธรรมะเรานี่เป็นอาวุธของโลกเรานี่เป็นอาวุธของโลกอาวุธของมวลมนุษยชาติ ถ้าเราทำตัวอยู่ฝ่ายมารเราก็เป็นมารถ้าเราทำตัวอยู่ฝ่ายพระเราจะเป็นพระคนทำตัวอยู่ฝ่ายกลางไม่มีคนทำตัวอยู่ฝ่ายกลา ง, าลางโดยเฉพาะเรื่องของโลกไม่มีเรื่องของการเวียนเกิดเวียนตายไม่มีไม่เป็นเหยื่อของฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งอยู่สงบเป็นเดรัจฉีนั่นเป็นพวกฝ่ายของมารชนิดหนึ่งบอกแล้วว่าแม้จะถึงจอมพรมก็เป็นมารอย่าว่าแตหน้า เป็นเครื่องมือของมารชนิดหนึ่งเป็นอาวุธของมารชนิดหนึ่งฟังดีๆนะฟังธรรมไสยดีวันนี้ที่เอามาพูดวันนี้ที่จริงเคยบรรยายมาก่อนแล้วเนี่ยวันนี้พูดอย่างนี้เข้าใจว่าพวกคุณจะนั่งฟังอย่างเข้าใจเข้าใจใช้ภาษาสื่อภาษาไทยภาษาง่ายๆเนี่ยพูดสับ ส, ส, ส, สนบ น, นเปไปเอาอันนั้นอุทาหรณ์ตัวนี้มาประสมประเสมันขยายความอยู่ในนี้รู้ถ้าคนที่ไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เป็นธรร ม, มาธิฐานไม่นั่งบามานั่งฟังธรรมนะ มานนั่งฟังเนี่ ย, ยพูดอะไรนี่คนนั้นตีลังกาหอกเมรอยู่ตรงนี้หลับคู่อยู่ตรงนี้ไม่รู้เรื่องครับแต่ถ้าคนนี้รู้เรื่อง้ที่พูดที่ฟังให้พูดพูดให้ฟังเนี่ยนะใช้นยานาคาเทนะนพูดให้ฟังอยู่เดียวเนี้่ใช้คําพูดโดยปัญญาญาณให้ฟังคุณจะรู้อย่างดีเลยว่าโอ้ไม่รู้ไปเอาอะไรมายําเสงนี่ไหมเก่งจังไม่เอาเรื่องร้อยแปดภาษาอะไรก็ไม่รู้มาพูดแล้วก็เข้าใจเป็นธรรมะคุณไม่จิตเป็นตัวตนบุคคลเราเขาอะไรไม่เป็นวัตถุแท่งก้อนอะไรเข้าใจโอ้อแล้วก็รู้ ยาของคุณปัญญางคุณดวงตางคุณแสงสว่างคุณจะมองเห็นเข้าใจโอ้อย่างงี้นาะเนี่ยเราเองศึกษาธรรมะถึงเข้าใจสว่างแจ้งอย่างนี้เข้าใจนี้เพราะเมื่อคุณเป็นยักษ์ตอนนี้รู้ธรรมะและเข้าใจธรรมะดีพอศึกษาเข้าหน่อยโอ้โห อ, อ, อย่างงี้เลยบอกให้เลิอกอบายมุกงี้เลยให้เลิกกามให้เลิกโลกธรรมไม่หลงลาบไม่หลงยศไม่ต้องกอบโค้ดไม่ต้องหลงเป็นสุขเป็นแสกอะไรเงี้เลย อูง่ายๆแต่ไม่ทําดื้อแข็งกระด้างจะทําทําไม่ไหวมันอ่อนแอจะทําทําไม่ไหวเราไม่มีจิตใจแข็งแรงอะไรทําไม่สู้ไม่ได้เพราะจะทําแท้มันแล้วแทนไอ้มะไอ้ยักษ์ไอ้ม้า น, นั่นแหละฟังดีๆมันซ้อนซ่อนอย่างนี้แพนอะไรแทนเรื่องเลวที่เราเสพเราติดอยู่นั่นแหละบอกให้เลิอกออกมาให้เล่าออกมาไม่ไม่อดไม่ทนอ่อนแอจมอยู่อย่างนั้นน่ะ เป็นคนดื้อๆเหมือนดื้อเดิอดือด้อดันด่า น, านรู้อยู่ทําไมเราไม่สลัดตนออกมาทําไมไม่หลุดออกมาทําไมไม่ฟาดมันมันต่อโตอ้มันมั่งสิสู้มันมั่งสิทําไมไปจมเป็นบริวารมารบริวารวายักอยู่เงนินได้แล้วเอาคอแม่มันดูดเลือดอยู่นั่นแหละตลอดเวลาเราทําไมเราเอ็นนางคุณ น, นี่นี่นะมันอ่อนแอมันก็ยังนางเอกนั่นแหละ นางเอกของแดกคิลาแม้ท่านดูแดกคิล่าหนังแดกคิล่ามาทุกคนก็ดีนะก็จะเข้าใจดีแล้วก็ถามาใครได้ดูหนงังแดกคิล่ามาวันนั้นฐานที่ประมสมผสมมีไม่กี่คนมีปานียกอยู่คนเดียวใช่ไหมใช่ไหมอ๋อไอ้ใบก๊อกล้แ ว, วแห ม, แมแเราก็ะสอบเรื่องแม้นั่นเรื่องแบนก๊อกนังเรื่องแดกคิลาใครใครไม่ได้ดูไม่ได้ดูใครไม่เคยดูยกมือทิ โอ้โหไม่รูรร้ไม่เคยดูแล้วรู้เรื่องเอาแหมไม่ได้ดูเป็ น, เ ป, นเป็นหนังก็เรื่องกันิยายเขาก็มีเขียนเป็นตัวหนังสือก็เยอะใครไม่รู้เรื่องออย่างนั้นดีกว่าใครไม่รู้เรื่องเรื่องแดคิล่ายกมือดิอ๋อไม่ได้ดูแต่รู้เรื่องอยู่ก็เยอะทั้งนั้นเอาก็ยังพอถูถายยกอุทาหอนลกนิยมนิยายเงีพอเข้าแกลบดคิล่าก็คือผีของตะวันตกเป็นนิยายของเขาของเราก็อย่างนี้แหละ รามเกียรตินี่ก็ยกได้ก็ไปต่อสู้นางโมราพระเอกกันางโมรากับโจนก็เหมือนกันนิยายพวกนี้คล้ายกันถ้าเราเข้าใจธรรมะแล้วไม่มีปัญหาอื่นเลยมันเป็นเครื่องแทนธรรมะเป็นสิ่งแทนธรรม ะ, ะเสร็จแล้วเราก็นึกว่ารู้ธรรมะเห็นดีแต่ก็ยังเป็นนางโมราสองใจเป็นนางเอกแดชกิราต้องมาคอย ยื่นคอให้แดกคิราเขาดูเลือดอยู่ทั้งทั้เที่พระเอกก็อุตส่าห์จะฆ่าปอกไม่ให้ตื่นไม่โง่หัวขึ้นมาพระเอกก็พยายามปราบแต่ปราบไม่เคยลงอยู่อย่างนั้นเพราะอะไรก็เพราะว่าเราเองนี่แหละใจก็เรานี่แหละใจยักใจมานก็เรานี่แหละใจอ่อนแอก็เรานี่แหละใจที่มันแข็งกระด้างมันดัดไม่ไปบอกแล้วมันดัดไม่ไปมันแข็งกระด้าง แล้วมันอ่อนแอมันไม่แข็งแรงที่จะต่อสู้มันไม่มันไม่ทนมันไม่อดไม่ได้ต้องอดทนต้องขันตีต้องฝึกหัดต้องอบรมจะเอาศีลข้อใดมาประพฤติต้องอดศีลมาประพฤติจะพิจารณาให้เห็นโทษภัยอย่างไรด้วยวิปัสสนาญาณให้เกิดอาทีนวะญาณให้เกิดเห็นโทษให้เกิดนิพพิทายาณอย่างไรจงทําเนกขมมะออกมานี่เป็นความหมายกว้างๆที่บอกไว้เป็นวิธีกว้างๆ ขันติในลูกทนลูกเดียวขันติต้องทนทำเพราะการมาปฏิบัติธรรมไม่มีความอดทนไม่เอาจริงเอาจังไม่สู้จริงไม่ได้ไม่มีทางชนะอาตมาเคยยกตัวอย่างตัวเองว่าอาตมาในปฏิบัติธรรมง่าย แม้อัตมาจะง่ายอัตมาจะรู้มันง่ายแต่อัตมาก็ยังสานึกได้อยู่จําได้อยู่และรู้อยู่นะว่ามันไม่ใช่ง่ายอัตมารู้มาแต่ปางไหนไหนไหนก็ตามมันเข้าใจอยู่ว่าโอ้ไอนี้มันคลองโลกอันนี้มันยิ่งใหญ่ไอนี้ไม่ง่ายสําหรับคนที่เขาไม่มีอินทรีย์พละคนที่เขาไม่มีการไม่มีความกล้าหาญอาถานเขาสลัดไม่หลุดมันเกาะมันติดมันยืดมันป่องแต่งมันอยู่อย่างนั้นแหละ รู้รู้เข้าใจเข้าใจเห็นจริงพระนั้นผู้ที่ไม่มีอินทรียีพระละจริงนั้นไม่ได้เราไม่มีทางชนะจะต้องต่้งหน้าต่างตาอดทนจริงๆผมฝืนสู้จึงจะชนะขันตีสุดขันตะจึงจะฝึกดีได้ฝึกดีแล้วได้ต้องใช้อดทนเป็นหลักจะชนะมาอย่างนี้อยู่ในทิศทางของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ ไม่ใช่ว่าว่าท่องมาส่วดนี่เป็นของพระพุทธเจ้าองค์เดียวจังท่านเถอะไม่ใช่เรื่องพวกนี้มีประโยชน์เรียนรู้เราท่องเราสวดอะไรมาเราได้พยายามอุตส่าห์อ่านอุตส่าห์ท่องอุตส่าห์จาอุตส่าห์มาสาธยายอยู่ทุกวันทุกวันเราก็จะต้องเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ชนี่เรื่องของยักพยายามจากคุณจะพยาขนาดไหนลนะ่ะ ถ้าพยายักษขนาดกระด้างสุดกระด้างสุดอ่อนแอมากก็นั่นแหละสั ญ, ญลักษณ์ของไอ้ยักษ์จิตวิญญาณของเราไม่ใช่อื่นเพราะต้องหาวิธีการที่จะฝึกฝนอดทนใช้วิปัฒนาบ้างใช้ความต่อสู้ด้วยกำลังอันยิ่งในการอดทนเรียนรู้ฝึกตัวให้ฝึกดีเป็นสุดทันตกให้ได้นี่ก็เป็นความหมายสองชั้น ใ, นใหญ่ อ่ะทีนี้ก็มาจําเพาะลงไปเมื่อได้รับความรู้บ้างตอนนี้ก็มันเป็นพานเป็นเหมือนดั่งเดราชาณพวกพานพวกเดราชาเนี่ยเอาลองมาอ่านดู <c oughs> นาราคิริงเหมือนช้านนาราคิริง <c oughs> ช้านตกมันเดราชาน <c oughs> ใหญ่ทั้งใหญ่เลย <c oughs> ขเชาวังอติมัตปภูตังทาวคิจกกรมสนีวะสุทารุนันตัง เมื่อนาราคิรีนี่ชื่อเต็มของช้างเลยนาราคิรีช้างตัวประเสรซึ่งกําลังเมามันยิง่งซึ่งกําลังเมามันยิง่งอติมัตตพูตังแสนจะทารุนสุทารุนันตังวิ่งมาประดุดไฟไหม้ป่าไฟไม่ใช่แต่ไฟป่าประดุดจากไฟป่าจากราวุธและสายฟ้านี่เขาเอามาโมดในนี้นี่เธอ ทาวะบวกอักคิบวกจักรกะเนี่ยจั ก, กราวุธสายฟ้าอักคิอ่าไฟป่าเท่าอ่ากามสันนิวรัตเนีวิ่งมากระดุดดังไฟป่าจักราวุธได้สายฟ้าความหมายของมันทั้งหมดรวมความแล้วมันหมายถึงสภาพที่เป็นสภาพมันโง่ เดร์ฉานใหญ่สภาพโง่สภาพไม่รู้ประดุดดังช้างตกมันเมาด้วยไม่รู้เรื่องพูดก็ไม่รู้เรื่องอันนี้เรากำลังที่จะยกจิตเป็นพระกำลังจะยกจิตเป็นพระตรงที่ว่าอยู่กับโลกเขานี่เราจะเห็นคนโง่เราจะเห็นเดร์ฉานเราจะเห็นพวกที่เมาเหมือนช้างตกมัน เมาอยู่กับโลกนี่พูดก็ไม่รู้เรื่องเลยอะไรต่างๆ น, น, นานายากแก่การที่จะปราบปรามและมันก็แทงดัอารวาสไม่เลือกอารวาสไม่เลือกไม่รู้พระไม่รู้เจ้าไม่รู้ใครทั้งสิ้นไม่รู้สิ่งสูงสิ่งดีสิ่งอะไรทั้งนั้นมันเป็นสิ่งต่ําไม่รู้สิ่งสูงสิ่งดีนะพวกนี้อารวาสเหมือนไฟป่าคว้างเหมือน หลับไมเหมือนกัระรานเหมือนอยังอาวุธมีจั ก, กรอาวุธขว้างทําลายอยู่ตลอดเวลาแวบวาบอยู่เหมือนสายฟ้าเหมือนสิ่งที่มันมีอยู่ซอกแทกอยู่ทุกมุมอยู่ทุกบรรยากาศเหมือนสายฟ้าลักษณะของความโง่ลักษณะาลังนี่แปลว่าอ่อนแปลว่าโง่ในนี้ไม่มีคําว่าพานหรอก นะในนี้แสดงถึงเดรชาลเอานาราคิริงมาเป็นตัวแทนเป็นตัวสื่อตัวสื่อเพื่อให้รู้ว่าไม้ถึงสัตว์เดรชานตกมันเป็นนิทานเขาเล่ากันก็เป็นนิทานเลยในประวัติพระพุทธเจ้ามีปุกลาธิฐานด้วยว่าพระพุทธเจ้าปราบนาราคิริงนี่เป็นชื่อของช้างท้าเอาจะอะไรท่านอะไรนาราคิริงเป็นช้างของอาชาตศัตรูเออ ของพระเจ้าชาติศัตรูของแควนมคตของพระเจ้าสิมพิสารนั่นเองนะเพราะพระเจ้าสิมพิสารเป็นพ่อของพระเจ้าชาติศัตรู น, นาราคิริงนี่เป็นช้างเป็นชื่อช้างเราสมมติว่านาราคิริงแล้วก็เป็นสภาพที่จะมาปราบพระพุทธเจ้าในตอนนั้นนะเป็นปุกลาธิฐานเป็นช้างตกมันพระเจ้าชาติศัตรูปล่อยมาเพื่อที่จะทําร้ายพระพุทธเจ้า มันสิ่งแทนอาจับเขาเค็ดและเป็นปุคลาธิฐานต้องมีต้องประจนประจันสิ่งนี้ก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่อยากจะพูดมากเป็นอาชินตอะไรอันหนึ่งซึ่งมันพูดไปแล้วแม้แต่อาตมาเองก็มีสภาพจะต้องประจนก็สิ่งที่เป็นสิ่งแทนอะไรพวกนี้เป็นปุคลาธิฐานดูต้องประจนต้องประจันต้องพบนะ พ, พระพุทธเจ้าก็พบอย่างขนาดของ พ, พระพุทธเจ้าแต่อย่างช้านาราคิรดินงของอาตมาไม่เหมือน พ, พระพุทธเจ้าหรอก ก็มีสภาพเปุกรายิฐานบ้างเป็นเกิดมันไม่เป็นตัวช้างหรอกเดี๋ยวนี้ช้างมาเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องใช้อาวุธเคียวแล้วมันใช้ลูกปืนอมันใช้ลูกปืนมันใช้มีดใช้พระเป็นจักรอาวุธนมันไม่ใช่สมัยต้องใช้ช้างแต่ก่อนนี้ใช้ช้างใช้มาจริงๆขบวนทับอะไรอาวุธต่างๆใช้มาใช้ขอใช้เงา ตอนอยู่กับช้างมาสมัยนี้มันเป็นอาวุธมันเป็นช้างเหล็กควายเหล็กเป็นเรือบินเหล็กอะไรอย่างเงี้มันเป็นสภาพอย่างนั้นนะมันไม่เหมือนเก่านี่ก็แย้าแย้มแปยอะไรตอนที่กินเป็นอจินไต่ก็ไม่อยากจะพูดถึงมากนัก น, นะสภาพป ก, กราติฐานก็มีอยู่ทีนี้เราไม่ต้องพูดถึงป ก, กราติฐานตัวตนทั้งป่านมันเนเอาธรรมะสภาพที่มันมีความโง่อยู่ในโลกนี่คนโง่ เดรัจฉานคนพาลคนง่คนอ่อนเยาด้วยปัญญาแล้วก็ถูกครอบงำมอมเมาอยู่เหมือนตกมันมีมากกว่ามากพวกนี้บางคนพูดแล้วไม่รู้เรื่องพระพุทธเจ้าท่านถึงให้สร้างจิตเป็นพระตรงต้องสงสารเขานาต้องเมตตาเขานาเราอย่าไปทำจิตรุนแรงขึ้นมามันจะกลายไปเป็นยักษ์ขึ้นไปอีก นีม่มันจะกลายไป ข, ข, ข, ขึ้นไปข้างบน ข, บขึ้นไปฐานนี้มันจะกลายเป็นถ้าเราไม่ปรานีต่อพานที่มันแสนยั่วยุยั่วยวนมันแสนที่จะแหมแย่เราอยู่เรื่อยพวกพานพวกโง่นี่แย่จังเลยทุกวันนี้เราถูกแย่ถูกว่าถูกอะไรอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ใจเย็นถ้าเราไม่สงสารเขาเราอะไรมาก็ตันตอบแล้วเราก็เป็นนึ ก, กว่าตัวเราเองมีดีมีดีมีดี เราจะปราบได้จะปราบได้ไขนาดช้างนาราคิริงก็ไม่กลัววะเห็นช้างนาราคิริงเท่าหมูเลยตายแง้งแงะตายตายแงงแงะเพราะยัต้องใจเย็นสงสารเมตตาเกื้อกูลเอ็นดูในโลกมันมีอย่างนี้แหละในโลกต้องมีเดริฉานในโลกต้องมีพานชนในโลกต้องมีคนโง่ในโลกต้องมีผูนน้ที่มันเมาเมาไมา ม, ม้มันเป็นอย่างนี้ปนปนอยู่ เพราะใจของเราใจไม่ต้องไปถือสาใจไม่ต้องโหดร้ายใจเห็นว่ามิตรทั้งสิ้นเมตตาไมตรีมิตรตังไมตรีเมตตามิตรตังนี่เป็นระดับไมตรีเป็นการสื่อผูกเมตตาเป็นเรื่องของจิตแท้เป็นแกนเราจะทำไมตรีได้เราต้องมีเมตตา เมื่อเรามีแกนเมตตาแล้วเราก็ทำไมตรีซื้อผูกสัมพันธ์ผูกสัมพันธ์ได้สาเร็จเป็นมิตรตัง้งเป็นมิตรเป็นสหายเป็นเพื่อนที่อยู่ร่วมโลกสร้างสรร์เป็นมิตรเราจะต้องมีจิตอย่างนี้จิตพระจิตพรหมถึงแม้จะเป็นพรหมสูงก็ต้องมีจิตอย่างนี้เราหลีกพ้นผ่านชนไม่ได้ในโลก เราจะไม่มีพานชนอยู่ในโลกไม่ได้มีเมืองเมืองเดียวเมืองศรีอริยะเมตไตรมียุคพระศรีอริยะเมตไตรยุคที่มีพานชนน้อยน้อยน้ ย, นยจนเราถือเปอร์เซ็นต์ว่ามันน้อยจนถือว่าไม่มีอย่างนั้นได้ว่ายุคการเมื่อไหร่ยังไม่รู้แต่เราก็จงรู้ในสิ่งที่ซ้อนโลกน้อยที่ซ้อนอยู่ในโลกใหญ่พบน้อยที่ซ้อนอยู่ในพบใหญ่ เมืองพระศรีอารที่ซ่อนอยู่ในเมืองโลกหยาบๆเห็นเมืองพระศรีอ่าร์ตั้งไหมไงเมืองพระศรีอารอยู่ในอาโศกนี่เหรอพรหมจริยโยพรหมมันมีมีตาได้ใช่ไมีตาดูเมืองน้อยเนี่ยซ่อนอยู่ในเมืองใหญ่แต่ถึงกระนั้นของเราเมืองพระศรีอ่านของเราก็ยังไม่ได้ละเอียดระออนักหรยังหยาบอยู่ ไม่ใช่น้อยแล้วยังมีผานชนแก ะ, กะอยู่ไม่ใช่น้อยยังมีเดราิชานเมามันอยู่บ้างพวกกันยังไม่ค่อยรู้เรื่องบางทีถึงขั้นยักษแข้งกระด้างแล้วอ่อนแอพูดก็ไม่ค่อยจะเทาไม่ค่อยสู้ไม่ค่ออดทนไม่ค่อยใช้ปัญญาไม่ฉลาดมันก็อยู่ในระหว่างฐานยักกับฐานผานชนหรืออ่อนแอรหรือโง่เดริชาน เพราเราจะต้องต่อสู้ขันตีแล้วจะต้องเมตตาแล้วจะต้องเรียนรู้สังสารวัฏนั่นเองพระที่เป็นพระก็จะต้องช่วยต้องมีจิตพระบอกแล้วเริ่มต้นฐานที่สามมีจิตพระเราเองจะต้องรู้ตัวเราว่าเรามีจิตยักรเราต้องรู้ตัวเราว่าเรามีจิตโง่เราต้องรู้ตัวเราว่าเรามีจิตทานเมาเมา มารู้แล้วอย่ารังเกียจตัวเราเองประเดี๋ยวจะปฏิบัติธรรมอย่างอับเฉาทุกทรมานแล้วไม่ได้เรื่องประเดี๋ยวก็ดันทุรังประชดประชันส่งไปแหลกดันส่งไปหรือประเดี๋ยวก็ไม่เอาละไปเลยตีหักไปเลยไม่ได้เราต้องโง่คนที่จะฉลาดก็คือคนแก้ความโง่ออกมาเป็นคนฉลาดถ้าเราฉลาดแล้วเราก็เป็นจอมุนีหมดทุกอย่างไมปรับปรุงอะไร พักเีเราต้องมีโง่หยาบโง่มากโง่น้อยกันแล้วแต่เป็นพานน้อยก็แล้วแต่ดูด่านดึงดันอะไรก็แล้วแต่น้อยหรือมากกันแล้วแต่แเราต้องรู้เราต้องรู้จักเมตตาตนเองสอนสอนตนเองเพื่อกูลตนเองนี่เข้ามาหาตนในโลกก็มีอย่างนี้คนอื่นเขาก็เออคนนี้เราเห็นเรามีดวงตาแห่งธรรมเรามองมองคือธรรมดาตานี่มันมองออกนอกตัว มันก็จะเห็นคนอื่นนั่นแหละเป็นผานชนเป็นเดรัจฉานก่อนอพวกนี้เมาอยู่ก็เห็นสงสารเขาเมตตาเขาด้วยเราเองก็สงสารตนเองอย่ากระนําย่ํายีตนเองจนเกินการเราโง่ก็ออกแหมมันโง่จริงแนักกระนาเป็นยักษ์เป็นมานแล้วเป็นแข็งตัวเองกันด้างแข็งหยาบตัวเองตีตัวเองทรมานตัวเองทุกตัวเองจนเกินไม่เอา้าหาวิธีแก้ไขยอย่างดีอดทนแก้พยายามสู้ มันจะเหน็ดจะหนามัเเน็ดจเหนื่อยจะหนักจะหนาอย่างไรก็ต้องทำต้องมีใจเมตตาใจดีใจเย็นอย่าใจร้อนมีเมตตาเพราะงี้จะต้องแก้ไขอย่างนี้เมื่อแก้ไขยังสุดที่ก็สู้ได้ปราบได้ถ้าแก้ไขไม่ได้เอาต่ใจร้อนใจเร็วใจแรงพว่เข้ามาหมดอย่าว่าแต่ช่วยคนอื่นเลยช่วยตนก่อนนี่ค ใจเราไม่มีเมตตาตนก็นำย่ำยีตนก็ฟัด ก, ก็เฟีเ ก, ก็เวียงก็อยังงอนยังงี้ไม่ค่อยให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยใจเย็นมีเมตตาเออเป็นจิตดั่งพรหมอะไรเริ่มต้นเอาคาสัมพันธ์กับพรหมและเมตตาความสัมพันธ์กับตัวยอดแล้วเมื่อไม่มีมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรบอกแล้วเป็นใจพระหรือใจพรหมพรหมจันทร์ก็พระนั่นแหละพรหมจันย์ไม่ใช่อื่นพรหมเริ่มต้นมี ฟังดีๆนะพูดธรรมะนี่ขณะนี้สัมพันธ์กันหลายอย่างโยงใหญ่กันไม่ได้พูดเมื่อนก่อนไม่ได้ขยายเหมือนก่อนขยายก่อนขยายเป็นอันๆอันๆตัวๆตัวๆตัวๆไปไม่ได้ร้อยวันนี้ร้อยมาลายอย่างอืหร้อยสอดร้อยกันอย่างสัมพันธ์กันมากถ้าฟังไม่เท่าไม่ทันฟังไม่จับไม่ติดนะเลอะเลอะพกันโอ้โหไม่รู้เอาหัวไปไว้หางเอาหางมาไวหัวเอาหัวมาไวกลางเอากลางมาใช้ต้นอต้นมาใช้ปลายอะไรว่ากันนัวนะ มันระดับพานชนนี้ก็เริ่มต้นมีจิตที่ดีและพอต่อสู้กับสิ่งที่ยังหยาบอยู่พราะควรความหมายกว้ า, างกาว้างขยามแต่อันนี้ยังพูดไปไม่ได้พูดภาษาบาลีไม่ได้บอกว่าแก้ไขด้วยอะไรเพราะงั้นชิตวามุนินโทตันเตชะสาไม่พูดนะนะเสียเวลาต้องแก้ได้เมตตมพุเสกวิธินาขออภัยขอกลับขึ้นไปหาอันนี้ก่อนอ น, นี่ยังพูดไปไม่ได้พูดภาษาบาลี ไม่ได้บอกว่าแก้ไขด้วยอะไรเพราะงั้นชิตวามุนินโท ต, ตันเตชั่สาไม่พูดนะนะเสียวเวลาต้องแก้ในเมตต์ัมพุเสกกวิธินาขออภัยขอกลับขึ้นไปหาอันนี้ก่อนเมตต์ัมพุเสกกวิธินาเมตต์ัมพุเสกนี่เป็นวิธีห ว, ว่างนั้นนะเมตตาบวกตัมพุเสกกวเสกนั่นแหละอภิเสกเสกะอภิเสกเสก กระทาให้เกิดะจะต้องใช้เมตตาบวกอัมพุหมายความว่าต้องมีน้ําเมตตาพระน้ําเมตตาหรือน้ําเมตตาอัมพุปลว่าน้ําใ น, นนี้ก็แปลว่าอย่างไรเขาแปลว่าพระจอมบุนีทรงชำนาด้วยวิธีลดลงด้วยน้ําคือพระเมตตาเขาก็แปลว่ า, าชำนะด้วยวิธีลดลงด้วยน้ําคือพระเมตตาที่จริงก็รวมความเลยกันน้ํา น้ำเมตตาพระน้ำเมตตาน้ำพระเมตตาคือเรามีเมตตาที่ฉโลมเหมือนน้ำเย็นเมตตาชโลมไปเรื่อยช่วยแก่ช่วยเขาช่วยล้างช่วยขัดชโลมด้วยเมตตมุเสกวิธีนะถ้าให้เกิดโดวยวิธีนี้คอยกระทําขึ้นไม่เกิดทันดีได้อันนี้เป็นตัวขายเป็นสภาวุธต้องทํา สงสา ร, สารเา้าหรือเราเองเป็นสงสารเราเองแล้วก็ต้องชโลมด้วยขัดเก ล, าล้าชัระลางต้องทำให้ไม่ทำให้ไม่ได้อย่าไปย่ำยีอย่าไปกระด้างอย่าไปแข็งขืนอย่าไปตีแรงตีหักตีผ่าตีแตกไม่เอ า, าต้องค่อเป็นคยไปอัีนี้ต่อมาต่อมาคนเก่งที่หลงผิดอย่าว่าแต่ชั้นจิตบอกแล้วว่านี่เริ่มต้นชั้นจิตแล้ว เริ่มต้นฉั น, นจิตแล้วลวที่จริงจิตแล้วตอนนี้ยังเป็นจิตที่โง่เ ง, ง่าแล้วก็จะต้องแก้ไขตอนนี้เก่งนะนี่มีปัญญามีความสามารถขึ้นแล้วนะแต่หลงผิดนะตอนนี้อันต่อม า, าอุคิตะขขะมติหัตถสุธารุนันตังทาวันติโยชนปะปัทถังคุลิมาละวันตังมายถึงอันนี้ของปุกาลาธิสานพระพุทธเจ้าหมายถึงเมื่อองค์ุลิมา ผู้แสนร้ายกาดมีฝีมือถือดาบเงื้องาวิ่งไล่ตามสิ้นทางสามยอดว่าวิ่งไล่ตามข้าแม้ตอนนี้นี่พวกที่เก่งกาดจะใหญ่หน่อยนี่คนเก่งหน่อยติดตามนะข้าแกงนะมีปัญญานะเอาตายนะไม่ปลักปล่อยง่ายๆนะพวกนี้ไม่ปักไม่ปล่อยง่ายๆ เมื่อรู้ตัวมีฤทธิ์มีแรงเป็นคนเก่งก็จะต้องอย่างนี้แหละก็จะต้องแสดงฝีมือเป็นฝีมือที่ร้ายกาจและก็ระรานเพื่อตั ว, เ พ, ตวเพื่อตนของเขาอยู่เหมือนอย่างองคุริมาเนี่ยอันในนี้บอกด้วยแต่ทางอุคลาธิฐานถือดาบเงื้องง่าวิ่งไล่ตามสิ้นทางสามโยชน์พระจอมมูลีก็ทรงชำนาเด็ก ความเก่งในการปรุงแต่งจิตนี่ก็แปลโดยความชนะในความเก่งในการปรุงแต่งจิต อ, อันนี้ภาษาบาลีว่าอิทธีพิสังขตะมโนนี่ก็แปลให้ฟังว่าฤทธาสามารถทางจิตอิทธีพิสังขตะมโนอิทธีอิทธี ie, นี่แปลว่าฤทธิ์หรือแปลว่าความเก่งอภิสังขตะก็คือการ ทำไม่สามารถปลุงสร้างความเก่งทางต้องสู้กันด้วยวิธีทางจิตใจต้องกล้าหาญชานชัยด้วยต้องมีปัญญาประกอบด้วยวพระพุริเจาท่านปราบองค์ุลิมาในท่านปราบหมดเลยทั้งอิทธิวิธีโ อ, อิทธิปฏิหารทั้งอเทศนานปาฏิหารทั้งอุเทนทั้งอเทศนาปาฏิหารพระพุทเจ้าท่านปราบองค์ุลิมา เราก็เหมือนกันเราปราบเราต้องปราบด้วยอิทธิวิธีด้วยเอ้ยอิทธิปฏิหารมันออกปราบด้วยทั้งอิทธิปฏิหารอาเทศนาปาฏิหารและอนุชาสนีปาฏิหารปราบอย่างไรเมื่อเราเองเราเก่งเราชักเลยเถิดชักไม่เข้าเรื่องเข้าราวเท่าใดไปลวนเพื่อทำให้สังคมเขาไม่ดี ไประไปรานไปรุนไปแรงอะไรก็เขาอยู่เหมือนกันไอ่ใช่เดีอวดอ้างหว่ชักดบาบ ห, หรือง่าวิ่งไล่คนนั้นคนนี้ไม่รู้ไกลไม่รู้ไกลอะวิ่งตลอดทางสามโยจะไปฟันใครไม่ฟันไปฟั น, ฟนอะคนเขาดีๆเขาในนิทานเรื่องนี้มันก็สอนโถไปตามฟันพระพระพระไม่ใช่ใครไปตามฟันพระเอาพระพุทธเจ้า มันก็เหมือนกันกับเดี๋ยวนี้เนี่ยเราชักเป็นผู้ที่เก่งขึ้นมาชักเป็นผู้ที่มีความดีขึ้นมาบ้างชักมีวิชาขึ้นมาบ้างแล้วแต่เราก็กลายไปเป็นคนอวดดีปรามซ้อนลงไปอีกมันปรามซ้อนลงไปอีกปรามซ้อนตัวเองนี่ลงไปต้องปราบตนด้วยตน ต้องใช้ความสามารถที่เหนือความสามารถเราเก่งและต้องใช้ความเก่งที่เหนือกว่านั้นอีกเราไปทําละลานในโลกมันยิ่งเข้าหาที่ตัวเองมากยิ่งขึ้นลุกซึ้งนนะขึ้นนะตอนก็ไม่อีกเข้ามาเรื่อยมองเข้ามาถึงแม้จะอธิบายเป็นนอกตัวนอกจนกเป็นผู้อื่น่นะก็เป็นองค์ุริมาประเทศละรานชาวบ้านต้องให้พระจะระวังจะไปเจอ อ, อกพระที่ฝีมือดีๆปราบ เสร็จตายไม่รู้อยู่แยกไหนและวทานสามโยนีน่ตายที่แยกไหนไม่รู้ถูกพระปราบสักวันนึ่งอาจจะไปถูกที่สิ่งที่ดีเหนือกว่าฤทธาที่สามารถยิ่งกว่ามีปาฏิหารยิ่งกว่าไม่ว่าทางอิทธิปาฏิหาราเทศนาปาฏิหารหรืออนุาสาจะมีปาฏิหารที่จะถูกปราบอย่านึ ก, กว่าตนใหญ่อย่านึ ก, กว่าตนใหญ่ทจริงๆเป็นคนเก่ง แต่ยังหลงตนหลงตัวหลงผิดเพราะฉะนั้นตัวเองต้องตรวจตัวเองให้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกเมื่อได้อบรมตนจากไอที่พอรู้ธรรมะแล้วก็พยายามที่จะทำตนเองให้สูงขึ้นมาจากผ่านจากโง่จากเยาวให้โตขึ้นโตขึ้นอบรมตนสั่งสอนตนกระทำตนปรับปรุงตนขึ้นมาให้ได้มากขึ้นจนกระทั่งได้เป็นคนเก่ง เป็นคนที่มีคุณค่าขึ้นมาแล้วมีฤทธิ์มีแรงแล้วมันจะมีมานะมันจะมีอะไร อ, อะไรที่มันจะอวดดีอวดดีถือดาบเงื้อง่าที่ด้ฟาดฟันคนอื่นอะไรต่างๆนานามันจะมีจริงระวังจะเจอพระนั่นเป็นเรื่องของการพูดกว้างพูดนอกๆที่จริงนั่นเราเองเป็นองคุริมานเองอยากได้ความดี ที่ยิ่งแล้วก็หลงตัวหลงตนจะไปทําความเก่งความใหญ่ให้แก่ตนไม่ทาที่ไหนก็ทําที่ตัวเราเองนี่แหละ <S <S ถือตัวถือตนเ อ, อออาจนกระทั่งมาเจอสิ่งที่เหนือกว่าเราจะเอาอะไรเป็นสิ่งที่เหนือกว่าถ้าเราจะจากเอาจากผู้อื่นได้ก็เอาเอาจากพระจริงๆเอาจากตราดจริงๆเอาจากคนรู้จริงๆก็เอานั่นเรียกว่าเราไม่ต้องไปให้ไปนานๆไปเจอของแหลมจนของแหลมเขาปราบ ไปเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ปราบเราเลยไม่ต้องไปเจอหลาน้องก็หาพระพุทธเจ้าเลยหลานก็หาพระพุทธเจ้าเลยให้ท่านใช้ฤทิ์ปราบเราใ้ท่านใช้ิ์ปราบเราอิทีพิสังขตมโนใช้ทิ์พาสามารถทางจิตโดยเฉพาะตัวเราเองอิทธิพิสังขตมโนเราใช้จิตของเรานี่ยแหละจิตพระต้องศึกษาต้องเรียนรู้พระธรรม เราจะไปพบพระเจ้าพระพุทธเจ้าที่ไหนเราพบพระธรรมก็เอาแล้ว พ, พบพระอริยสงฆ์ก็เอาแล้วก็เอาธรรมะอันนั้นแหละมาสร้างให้เป็นฤทธเป็นอิทธปาฏิหารเป็นอิทธิปาฏิหารเป็นอเทศนาปาฏิหารอิทธิคืออะไรอิทธิปาฏิหารแบบพุทธนะอิทธิปาฏิหารแบบพุทธก็คือทําได้อย่างแปลกประหลาดเก่งเห็นชัดเด่นเลยเอ้คนนี้ในเมื่อวานนี่ยังจมอยู่ในโรงเล่า ลานเล่าเลยวันนี้บอกอดทิ้งเราไว้วันนี้เลยเมื่อวานนี้ยังกินสัมบเบลเทม า, เากินตั้งหมือแปดมือยังไปกินเลี้ยงกินอะไรอยู่วันนี้บอกกูกินมือมือเดียวแล้ววันนี้กูกินมือเดียวแล้วมากินเนื้อสัตว์ด้วยวันก่อนนี้ยังโอโหเป็นนางยิ้วอยู่เลยวันนี้แต่งตัวสบายมันเป็นสิ่งที่พลิกล็อกเป็นปาฏิหาริย์ที่ไม่น่าเชื่อเอ๊ะเป็นเรื่องทําได้ยังไง นี่เป็นรูปนะอิทัพอิทพิปาทิหารในหมายความว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นรูปเป็นกน็ไม่ใช่เรื่องหยาบาไม่ใช่เรื่องละเอียดถ้าอาเทศนาปาทิหารหมายเข้าอย่างไปถึงความละเอียดไม่ฟังออกมาดูไม่เห็นไม่พูดถึงไม่พยายามที่จะแสดงด้วยความสามารถที่จะชี้ให้รู้ได้หยิบมาแจกแจงกันได้ไม่รู้ไม่เข้าใจอาเทศนาเป็นเรื่องลึกในเป็นเรื่องพบใน นี่ธรรมทิฏฐานนะฟังให้ดีนะเพราะมันเป็นอิทธิทธปาติหารก็คือคนนี้ทําได้เด็ดได้เกง่งได้ชัดผู้ใดทําอย่างนี้ก็เป็นประเภทที่เรียกว่ากับอย่างหน้ามือเป็นล้างมือองคุลิมาในถือดาบตันเขาอยู่เดียวนี้ทันทีพอได้รับฟังเจพระพุทธเจ้าวางดาบเลยกลาบพระพุทธเจ้าจากไอ้โจรเป็นพระบวชเลย เมื่อวานนี่องคุริบาลเป็นจรือดาบอะไรเขาอยู่วันนี้เป็นพระแล้วเขาก็เคลื่องโดยหินเท่านั้นเองยัมีท่าอะไรใครจะเชื่ออะไรฟันก็อยู่ไล่ฟันเขเมื่อวานนี้วันนี้เป็นพระแล้วใครจะเชื่อโอเคมางยังแห่มันกลับตะลรพัดมันแรงเป็นจิต ท, ท, ทิปารติหานนี่เป็นเรื่องไม่น่าเชื่อเลยนี่เห็นรูปได้จางชัดๆยิ่งแสดงถึงทางใจแสดงทั้งทางใจ ขว่างปาได้หินพระองค์กริมานไม่โกรธเลยโอ้โหใจเด็ดใจแน่ใจแข็งแท้นี่แข็งแรงไม่ใช่แข็งกระด้างทนสงบอยู่จะปลาคว้างปาได้หินเลือดไหลโสมยังไงก็นิ่งเป็นพระอานนเป็นพระสงบสบายทนได้ไม่มีเจ็บไม่มีปวดก็เจ็บปวดตามจริงแต่ว่าไม่ตอบแทนไม่นี้พยาบาทตัวแค้นโกรธเคืองอะไรแล้วอภัยรู้วิบากของตนพอเราทําเขาอยู่นี่เกิดปัญญามีปัญญารู้ เขาไปทำเาเขก็ไม่เขาก็ไม่มีไว้เขาพยาบาทเขาไม่เอาดาบมาแทงตายก็ดีแล้วเขาไม่กระหน่ำแม่ตายซะเลยก็ดีแล้วก็ฆ่าเข้ามาเลยเกินก็รู้ตัวรู้ ต, ตนทุกอย่างทนได้อาเทศนาปาฏิหาริย์จิตทนได้อาเทศนาเนยียบมาพูดให้คุณฟังจิตอาเทศนาแปลรูปเห็นอยู่ว่าทนได้ด้วยรูปใจของท่านทนได้จริงมีฤทธ ทางใจมีมโนโมยิทธิมีอาเทศนาปาฏิหารเพราะท่านได้อนุสาสนีปาฏิหารท่านได้ฟังคําสอนพระพุทธเจ้าท่านได้ยินคํากล่าวอนุาอนาสนนาสอนุสานีแปลว่าคําสอนแม้คําสอนนี้เป็นจริงดังที่พทะเจ้าบอกว่าหยุดองคุริมานจงหยุดองคุริมานหยุดได้จริงๆไม่มีโทสะได้จริงๆเป็นปาฏิหารแล้วเกิดมันหยุดได้ง่ายหรือ คนชั้นบุกราธิฐานของบุรุเจ้าเขาเป็นอย่างนั้นเราถ้าเป็นอย่างนี้ได้เราเป็นปาฏิหารเหมือนกันคุณทําได้ไหมคนจะมีปาฏิหารเด่นๆชัดๆก็ต้องมีมีคนบอกโอ้เราเดินโลกในจริงๆเราแข็งแรงนี่ชัดเลยเป็นคนเก่งนะมีพร้อมแต่เราลงผิดนี่เราใช้ฤทธิ์ใอิทธาพิสังขารอิทธิพิธิ ป, ปฏิหารใช้อาเทศนาปฏิหารของเราเอง ฟังคำสอนอนุสาสนีปาฏิหารหรืออ่านคําสอนหรือรู้คําสอนรับคําสอนคําสอนนี้มีผลปาฏิหารเลิกได้ละได้หยุดได้สงบได้ลดโลภโทสะโมหะได้เป็นฤทธิ์ที่ดีฤทธิ์ที่เก่งฤทธิ์ที่จริงเดี๋ยวนี้ที่นี่เราก็สร้างปาฏิหารมีฤทธิ์มีเดชอาตมาเคยพูดว่าพวกเราเนี่ยหนุ่ ม, มสาวเอามาทำอย่างนี้ได้นี่เป็นปาฏิหารอิทธิปาฏิหารมีรูปชัดเจน อาเทศนาปฏิหารของคุณคุณมีใจรู้ใจของคุณคุณจึงสามารถที่จะยังรู้จิตรู้ใจอาเทศนาปาฏิหารแล้วคุณจะรู้ใจเพื่อนเพราะคุณรู้ใจคุณคุณรู้ว่าคุณติดเป็นอย่างไรคุณรู้ว่าคุณล้างจิตได้เป็นอย่างไรคุณจังจะไม่รู้ว่าคนนี้เหมือนกันเราแต่ก่อนจิตเรามันเงงเงงเิดอย่างนี้ดูอย่างนี้เดี๋ยวนี้เขาทิ้งได้เราจะรู้ว่าใครมีอิทธิปาฏิหาริมากกว่ากันใครมีอาเทศนาปาฏิหาริมาากกว่ากันบางคน แม้ฉันต้องหลายวันตั้งหลายเดือนกว่าจะทิ้งได้ปฏิหารกว่าจะมามีปฏิหารเดี๋ยวนี้เป็นได้แล้วรูปเปลี่ยนได้แล้วแต่กว่าจะเปลี่ยนก็นานไม่ผุทธับบล็อกมันไม่เหมือนองค์ุริมานมันไม่เร็วแต่เราก็ทําได้กว่าจะได้เราก็ช้ากว่านานกว่าแสดงอินทรีย์พะละเราไม่แก่กล้าเท่าแต่เราก็ทําได้คําสอนก็เอามาทําอดทนพยายามสลัดออกช่วยเหลือตัวเองอกระนาตนเองพยายามทําด้วยฤทธ เรีวิธีต่างๆไม่รู้กี่ริกกี่วิธีจนเราเป็นไปได้อย่างแปลกเดี๋ยวนี้ก็ยังแปลกก็ก็ยังจะยิ่งแปลกยิ่งขึ้นเพราะว่ามันมากยิ่งไม่ไ ม, ไมยิ่งแปลกยิ่งไม่ค่อยมีนี่นะพวกเราเป็นอย่างนี้เ อ, อะไรพวกนี้บ้าไปแล้วเลยเขาไม่ได้ว่าแปลกเขาว่าบ้าไปเลยเขาไม่ได้ว่าแปลกลเขาว่าบ้าไปเลยฮะถ้าเคุณว่าคนไม่รู้ว่านี่เป็นธรรมะอย่างคุณจําลองไปประกาศ ผมกินข้าวมื้อเดียวแล้วไม่กินเนื้อสัตว์ด้วยถ้าเขาไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเขาบอกอไอ้หมอนี่มันบ้าอวดอะไรอวดไม่เข้าเรื่องอวดบ้าบ้าเชื่อไหมว่าคุณจะลองเองจะต้องพบกับเพื่อนฝูงคุณบอกไอ้บ้าก็คงไม่ด่าเท่านี้หรอกเพื่อนสนิทก็คงด่ายาบ ก, กว่านี้อ่าก็คงจะโดนได้โดนเขามั่งหรอก<ม>คือมันเป็นฤทธิ์ประหลาดมันเป็นปฏิหารแปลกๆอะไรคนธรรมาดาไปทําอะไรบ้าบ้าบ่าบา เขาไม่รู้จริงเขาเพราะว่ า, วาแต่เขามีความรู้ ท, งทงางธรรมบ้างแบบเออเองเก่งอย่างนี้เองก็เก่งอยู่หรอกแต่ว่าคนเขาไม่ทํากันนะวะก็มันไม่จริงมันไม่จริงๆมันเรื่องคนละอย่างเลยโลกก็ทำแล้วมันคนเราเรื่องหรือแม้แต่ว่าจะชนะยานจ ะ, จะชนะยักษ์ชนะมารใหญ่มันยัวย่วยยนอยู่มารใหญ่ยักษ์มันจําลองประกาศ ผมเนี่ยเขามาให้นะเอาเงินมาให้นี่เงินผมรับผิดชอบนี่เขามาให้ผมไม่ต้องทำอะไรหลอกอยู่ก็ได้เลยเป็นล้านผมเอาเลยได้ล้านผมไม่ต้องไปโกงไปอะไรแล้วอ่าปากนิดหน่อยเขายืนเข้าปากง่ายๆด้วยไม่ได้โกงไม่ได้ผิดอะไรจับไม่ได้ด้วยผมไม่กินผมโยนหมูให้หมากินผมจะลองพูดอย่างนี้จริงจริงอย่างนี้มันก็เป็นปาฏิหาริมี เ, เดี๋ยวนี้มีแต่มายักเต็มเมืองกินอยู่ยิ่งกอะไร กินนะไม่ใช่โกงนะไปดีนะครับ่ากินกับโกงต่างกันกินคนที่อยากใหญ่อยากโตอยู่ทุกวันนี้ก็รู้ว่าไปทําวันนี้ไม่ต้องโกงหรอกมันมีช่องทางกินแล้วก็กินกินเรายังไม่กินเลยมันเป็นปาฏิหาริคนไม่กินเดีย๋ยนี้คนไม่อ้าปากงากเดี๋ยวนี้มันไม่มีนะมันหายากมันคนมีขึ้นมามันปาฏิหารนะอย่างนี้ต้องมีฤทธิ์จริงๆมีฤทธ ราสามารถทางจิตไม่มีฤทาสามารถทางจิตจะยืนหยัดอยู่ในโลกอย่างนี้ไม่ได้จะอยู่ในกลุ่มกองมารยักษ์ไม่ได้พูนี้เด้รวบรวมมาแต่ปางใดก็ตามมาแสดงฤทธิ์แสดงเดชได้อย่างนี้เป็นองคุริมาณแสดงฤทธิ์ทั้งสิ้นเป็นองคุริมาลแสดงฤทธิ์ทั้งสิ้นเปลี่ยนให้เห็นทาไม่ได้ทันทีแม้จะไม่เร็วผุดผับเหมือนกับ ลกิษยพระพุทธเจ้าที่ใกล้ๆคิดๆที่มีบา ร, รมีสูงแต่เราก็ไม่ช้าไม่นานชาตินี้แต่ก่อนนี้อ้วเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้อ้วเป็นอีกอย่างหนึ่งไวๆไม่ช้าไม่นานมันเปลี่ยนมาจริงๆ ม, มีการเป็นปาฏิหารมีทั้งรูปที่เห็นเด่นชัดเป็นอิทธิปาฏิหารมีทั้งนามธรรมจิตใจที่ชัดเป็นอาเทศนาปาฏิหาร ในปฏิหารทางใจรู้เห็นจิตจริงนะอาเทศนาเป็นวาการอย่างรู้จิตโดยเฉพาะรู้จิตตนเองก่อนอย่าไปที่เด้รู้จิตคนอื่นอย่างเจโตปริย า, ยานตนเองก่อนให้รู้ท่วนทั่วแล้วก็ปรับเปลี่ยนจิตตัวได้อย่างกล้าแข็งมีอำนาจมีฤทธิ์ฐานสามารถทางจิตพอปราบได้จับได้จั บ, บออกมาจนกระทั่งถึงด้านรูปนอกกายนอกกรรมาพฤติกรรมนอก เป็นสิ่งที่คานแย่งโลกมีด้วยหรือสิ่งดีอย่างนี้ปาฏิหาริย์ชั้นชสูงอย่างนี้โลกนี้ยังมีเหลือหลงอยู่เหรอพิสูจน์ได้ว่ามีอยู่พวกเราไม่แยแสลาบไม่แยแสยศเป็นดิธปาฏิหาริย์ทิ้งได้มีอำนาจทิ้งได้สามารถทิ้งยศชั้นสันนเสริลาบยศมาขอเราก็มีมี ม, มีอยู่มาเรื่อยๆอมียศมีชั้นมีลาบทรัพย์สมบัติทิ้ง เป็นเรื่องท้าทายโลกเป็นปาฏิหารเพราะเราเห็นจริงในคำสอนในอนุสาสนีพระพุทธเจา้าพิสูจน์ได้อนุสาสนีนี้ไม่ค้านแย่งหลักการไม่หลงไหลไม่เพอ้อพกว่างเบาสบายด้วยแล้วเราก็มาอยู่ในภูมิที่เป็นจริงอยู่ไปจริงๆยั่งยืนนี่เป็นความเก่งที่จะต้องปราบขึ้นมาใช้ฤทธิ์จริงๆเมื่อเราได้ปราบอันนี้ขึ้นมาแล้วทีนี้จอมทั้งสี่นี่ละ แม่แตอนนี้จะพบทั้งตนเองจะพบทั้งผู้อื่นอธิบายทั้งสิ่งที่เป็นในตัวจอมมายาสาไถหรือจอมตอแหลกของตัวมีด้วยและของคนอื่นด้วยวันนี้แปดนาฬิกาแล้วค้างไว้ต่ออาทิตย์หน้าถ่าย